โยมบนนันอนได้ฝากคำถามเรียนหาพระอาจารย์ว่าขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าใบไม้หนึ่งกำมือในทางพุทธศาสนาให้เราสราบด้วยใบไม้หนึ่งกำมือก็คือใบไม้มีกามือเดียว สองเก่บเป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบที่พระเจ้าทรงเปรียบเทียบสอนภิกษุในครั้งพุทธการคำอธิบายคงจะมีไม่มากสำหรับอาตมาแต่หากไปอ่านในพระไตรปิฎกมีคำอธิบายมากมายเลยในนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนพระเจ้าบอกว่า ทมที่ตถาคตได้สอนนั้นเท่ากับใบไม้หนึ่งกำมือทำที่ตถาคตไม่ได้สอนนั้นมีมากมายเหมือนกับใบไม้ที่อยู่ในป่าคือพุทธเจ้าจารกไปพร้อมกับบูพิกษุโสมไปที่ป่าประดูลายก็ใบไม้ร่วงเต็มไปหมดโพลก็เลยหยิบกำขึ้นมาถามพิสุว่าพิสุทั้งหลาย ใบไม้ในกำมือเราเนี่ยกับใบไม้ในป่าเนี่ยอันไหนมากกว่ากันอันไหนน้อยกว่ากันพิสูจน์ก็บอกว่าใบไม้ในกํามือของพระพทองค์น้อยใบไม้ในป่านี้เยอะพระเจ้าก็บอกว่าพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งที่ตถาคตรู้มีมากกว่าใบไม้ในกํามือนี้สิ่งที่รู้นั้นน่ะเหมือนกับใบไม้ที่อยู่ในป่าแต่สิ่งที่เรามาสอนเนี่ยเท่านี้เพราะอะไรเพราะเท่านี้เนี่ยเท่าเท่านี้เที่บเท่าที่ตถาคตสอนมาทั้งหมดเนี่ย เพียงพอแล้วที่พวกเธอจะสามารถบาเพ็ญไปถึงความบุดพ้นได้มันเพียงพอแล้วของบางอย่างที่รู้แล้วมันไม่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติพงษ์ก็ไม่เอามาสอนไม่เอามาบอก mm hmm. เพราะฉะนั้นอันที่พงษ์ไม่สอนนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าพง์ไม่รู้พง์รู้แต่ความรู้ที่พง ร, รู้พง์จะเลือกคัดสรรว่าความรู้ไหนเป็นไปเพื่อความุพ้น ความรู้ไหนไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นความรู้ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นพรองค์บอกสอนอันนั้นให้ภาคเพียรในสิ่งนั้นยึดถือในสิ่งนั้นดำเนินตามสิ่งนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งนั้น น, นะ น, นี่คือสิ่งที่องค์ทรงบอกทรงสอนเท่ากับใบไม้หนึ่งกำมือในบรรดาวความรู้ทั้งหมดผู้เจ้าไม่สามารถเอาความรู้มาสอนทั้งหมดได้เอามาสอนบทได้คนก็รับได้ไม่หมดหรือเอามาสอนบท ทั้งหมดเลยเหมือนกับใบไม้ในป่า ก, ก็มันไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์จะมาสอนทําไมเหมือนกับพี่โวงทรงบอกว่าตาเาคตกาวาจาเป็น4เป็นเป็น ส, นสลักษณะใช่ไหมละ่ะลักษณะแรกวาจาที่จริงไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่พูดใช่ไหมละ่ะอันที่สองวาจาจริงประกอบด้วยประโยชน์พูดใช่ไหมล่ะอันที่3าวาจาไม่จริง ประกอบด้วยประโยชน์ไม่พูดอันที่สี่วาจาไม่จริงไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่พูดเนี่ยเหมือนกันสิ่งที่พว์ทรงรู้อะหากไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพน้นโพวง ก, ก็ไม่สอ น, อนจะไปสอนทําไมถ้าไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพน้นแสดงว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนมาทั้งหมดในบรรดาที่อยู่ในคําสอนคือวาจนะที่พวงทรงตัดสอนตลอด45หพันษา ในครั้งพุทธกาลนั้นคือช่วงที่ตัดสรุ้นะจนถึงปรินิพานสี 5, ส่พัาพันศาเป็นคำสอนเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นไปเพื่อความตัดสรุ้หากมีแง่ ม, มุมของหลักคำสอนใดที่นอกเหนือจากทีพโ์พงษ์ทรงตรัสนั้นแทรกเข้ามาแม้จะเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือเาเรียกว่า นอกกํำมือบางคนบอกว่าบางอย่างพระเจ้าไม่ได้สอนก็มีใช่พระองค์ไม่สอนก็มีแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่พระองค์ไม่สอนนั่นคือไม่ประกอบด้วยประโยชน์หากมีมี ม, มีหลักคําสอนใดที่อิงพุทธศาสนาโดยอยู่นอกใบไม้กํำมือนี้นอกหลักคําสอนนี้ถือว่าสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์และพราะพุทธเจ้าไม่ทรงสอนนั่นหมายถึงว่าพระพุทธศาสนาไม่ยอมรับบรรจุไว้ใน หลักธรรมหลักธรรมไม่ยอมรับสิ่งที่อยู่นอกกำมือแต่ไม่ได้หมายความว่าใบไม้นอกกำมือนั่นอ่ะมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรนะคือความดีมันมีมันมีทุกที่แต่ความดีอันไหนที่จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นะผู้เจ้าเลือกเอาความดีอันนั้นมาบอกมาสอนเราความดีนอกพุทธศาสนาบางบางความดีผู้เจ้าก็ไม่ปฏิเสธโดยเฉพาะความดีที่ ลัทธิและศาสดาทั้งหลายที่สอนในเรื่องมีบาทะในเรื่องกรรมเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมพระเจ้าก็เป็นปฏิเสธองค์ก็กวา่าก็สอนกันไปในเชื่อเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องผลของกรรมแต่พุทธประสงค์ของพุทธองค์ไม่ได้มุ่งหมายเพียงแค่ให้ทำดีหรือเป็นคนดีพุทศาสนาไมาได้สอนให้ใครเป็นคนดีมันเป็นไม่ได้นคนดี ใช่ไหมคนดีเป็นได้ไหมเป็นไม่ได้นะเป็นไม่ได้ไม่ได้ทําไมคนดีเป็นไม่ได้ครับเราเอาตรงไหนเป็นเครื่องวัดของความเป็นคนดีมันเป็นวัดแบบโลกไม่ใช่วัดแบบโลกก็วัดไม่ได้วัดความเป็นคนดีแบบโลกไม่ได้ไม่มันไม่มีเครื่องวัดอ่ะ ไม่มันเป็นความหลงผิดความหลงผิดที่เข้าใจว่าเราจะเป็นคนดีเร า, เราการที่เราจะเป็นคนดีเนี่ยมันเป็นความหลงผิดที่เราพยายามสร้างตัวคนขึ้นมาแล้วให้เข้าไปเป็นจริงๆมันเป็นไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะตราบใดที่เราเป็นคนดีตราบนั้นเราจะเห็นคนอื่นเป็นคนเลว ก็เร็วไงเร็วกว่ากันดีกว่ากันเท่าที่พวกเขาแต่บางอย่างเราก็รู้สึกว่าเขาดีกว่าครับอันอันนั้นก็ผิดพุทธิยาว่ะพุทธศาสนาสอนเรื่องมานะไว้ว่ามีอยู่เก้าประเภทตนเร็วออตนเร็วกว่าเขาสํำคัญว่าเร็วกว่าเขาตนเร็วกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาตนเร็วกว่าเขาสําคัญว่าดีกว่าเขาหนึ่งและในในสามใช่ไหม อันที mind, ่สองตนเสมอเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาคือเร็วกว่าเขาตนเสมอเขาสำคัญว่าเสมอเขาตนเสมอเขาสำคัญว่าเลิศกว่าเขาอันที่อันที่อันที่สามตนเลิศกว่าเขาสำคัญว่าเร็วกว่าเขาตนเลิศกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาตนเลิศกว่าเขาก็สาคัญว่าเลิศกว่าเขาก็เรียกเป็นมานะสามประเภท สมประเภทมใีในแต่ละประเภทก็มีอีกสามก็เป็นมารณ์ก้าวอย่างเงี้ยเห็นไหมผู้เจ้าบอกว่าเป็นมารนณน์าทั้งนั้น<ม>เราบอกเราจะเป็นคนดีอันนี้เป็นที่ถีบมารณเพราะถ้าเราเป็นคนดีปุ๊บทําความดีปับ๊บคนอื่นจะต้องเลวคนเลวจะต้องมีเลยทีนี้ผู<ม>้เจ้าจึงไม่ได้บอกว่าให้ใครเป็นคนดีแต่ผู้เจ้าสอนบอกว่าใครทําดีคนนั้นจะได้ดี ใครทําให้ดีคนนั้นก็จะได้มีดีแค่นั้นเองผู้เจ้าไมยบอกว่าต้องไปเป็นหากหาบอกว่าเป็นคนดีคนดีเป็นคนดีเท่านั้นถึงจะดีแสดงว่าองค์กุริมานก็ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะการการที่องค์ุริมานมีพฤติกรรมของข้าตกรอยู่เนี่ยก็คือต้องเป็นคนเร็วในความรู้สึกผู้คนเพราะคนดีเขาจะไม่ทําอย่างนั้นใช่ไหมเขาว่าอย่างนี้นคนแปลว่าคนเร็วนี่ นั่แก้ไขไม่ได้เพราะเขาเป็นคนเร็วนั่นหมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะทําทตัวเราให้เป็นคนดีโดยมีตาประทับแห่งความดีติดไปตลอดได้เราทาดีแล้วเราก็ได้ผลดีอันนี้เป็นสัจจะแต่การเป็นคนดีไม่มีสัจจสะสมมติว่าชาตินี้ทั้งชาติทําดีอย่างเดียวไปสู่พบผลที่ดีตายมา เกิด่ในตระกูลวิชาทิฏฐิทําเร็วได้ไหมปฐาภัยเกิดอยู่ในตรกะ ก, ตรกูลที่มีความเชื่อว่าข่าสัตว์บูชายันบวงสวงเทพเจ้าจะทําให้ตระกูลถึงความเจริญไปบูญงอกงามก็เอาไปทีนี้แล้วดีไหมทีนี้ <S <S แล้วใครไปกํบบาหนดว่าสิ่งนั้นไม่ดีก็นในตระกูลเขาบอกว่ามันดีแต่ว่าไง วงตัวคูณเขาบอกนั่นคือสิ่งที่ดีแล้วเพราะนั้นมันไม่มีมาตรฐานอันไหนที่จะไปลองรับว่าอันไหนดีใครดีคนดีเป็นยังไงขณะที่ทำดีต่อหน้าคนทำดีได้เอาถามหน่อยว่าทำดีได้ตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงไหมเอาเอาแค่คิดดีตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงคิดได้ไหมไแล้วจะเป็นคนดีได้ยังไงคนที่จะพยายามเป็นคนดีนั่นแหละคือคนที่หลงผิดแล้ว แต่คนที่รู้ว่าเราจะต้องทําดีคนนั้นคือคนที่อยู่ความจริงไม่ใช่ว่าคนดีทําดีค่ะอาจารย์คนดีเป็นคนดีแล้วถึงจะทําดีคนดีมันไม่มีมันมีแต่คนคนไปทําดีใช่มันมีแต่คนถามว่าโจรเป็นคนไหมเป็นเป็นคนตำรวจเป็นคนไหมเป็ น, เ, ปนเอ า, อา ง, งี้ โจรฆ่าคนตายเป็นฆาตกรตำรวจฆ่าคนตายเป็นตำรวจเป็นจั้ายามนผู้รายเอาก็ฆ่าคนไหมฆ่าคนอ่าฆ่าคนใช่ค่ะโจรฆ่าคนใช่ค่ะตำรวจฆ่าคนแต่ตำรวจดีกว่าโจรแต่เราเป็นมักหมายแล้วว่าโจรมันเป็นโจรอ้าวเห็นไหมล่ะใช่เอาแล้วแล้วถ้าเป็นอย่าง ผู้ได้เจ้าทําไมไปเอาโปดอุคุลิมาใต้ผู้ได้ดเจ้าไม่ได้มองที่ความดีหรือความเร็วเข้าใจไหมผู้ได้เจ้ามองที่ความจริงพวกเรามอ ง, มองกันแต่เว่าดีแต่ะเร็วเนี่ยพวกเราเลยหลุดพ้นไม่ได้ผู้ได้เจ้ามองที่ความจริงความจริงเป็นยังไงความจริงที่พงษ์ทรงทราบพงษ์ทรงทราบความจริงว่า ผมกุลิมานไม่ได้เร็วโดยกําเนิดเห็นไหมเร็วจริงไหมตอนที่ทําอ่ะเร็วจริงแต่ไม่ได้เร็วโดยกําเนิดบางคนก็เหมือนกันอะ่ะทําดีทํำดีจริงแต่อาจจะไม่ได้ทําดีโดยกําเนิดก็มีเอาเจ้าจริงๆนั่นเองใช่ไหมบางคนไม่ได้ดีโดยกําเนิดก็มีนะแต่บางคนดีโดยกําเนิดก็มีแต่คขาบอกดีโดยกําเนิดนั่นหมายถึงว่าเขาเคยทําดีมาสะสมกัน จนเป็นความดีเป็นอัธยาศัยในจิตของเขาแต่แน่นอนว่าหากเขาถูกปลูกฝังในด้านที่ไม่ดีในด้านใดด้านหนึ่งมาเขาก็ต้องเป็นคนเลวได้อีกเพราะฉะนั้นความดีหรือความเลวมันไม่มีอะไรเป็นมาตรฐานเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้เสมอยิ่งคนดีดีมากๆเนี่ยยิ่งเร็วมากเพราะในใจมีแต่คิดที่จะเพ่งคนที่ไม่ดีอยู่เสมอ อันนี้คือความจริงเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแบบจริงๆเลยใ <c ười> บไม้หนึ่งกำมือก็คือบรรดาคำสอนทั้งหมดที่พวงทรงสอนเกียบปัะดุดดังใบไม้หนึ่งกำมือหากจะตีใบไม้หนึ่งกำมือลงมาสู่กายกับจิต ก็คงจะมีเพียงแค่ท่าสี่ขันห้าเท่านั้นที่เราจะต้องทําความเข้าใจและเรียนรู้ในใบไม้นี้ใบเดียวนี้แหละคือท่าสี่กับขันห้าเอาอะไรไปเรียนรู้เอาอริยสัจไปเรียนรู้หมายถึงว่าเราจะทําโจทย์ข้อ น, นี้ให้ได้คําตอบอย่างนี้เราจะต้องมีวิธีการทําเอาอะไรไปวิธีการทําเราก็เรียนรู้วิธีการสมการอะไรต่างๆ่างใช่หะเข้าไปทําอันนี้ก็เหมือนกันเราเอาอริยสัจ เข้าไปทำการกําหนดรู้ในท่าสี่กับคันห้ากามือเดียวนี่แหละใบเดียวนี่แหละเอาท่าสี่คันห้าไปกําหนดรู้รอบรู้สิเดี๋ยวเตโชวิปัสสนาไปนะยุ่งนะที่เกียนตามแก้จิตเท้าท่าสี่คันห้าเข้าไปกําหนดรอบรู้ว่า อะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุที่เกิดทุกข์ในท่าสี่ขันธ์ห้านี่แหละอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุที่เกิดทุกข์อะไรคือความดับไปของทุกข์อะไรคือตามปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ในท่าสี่ขันธ์ห้านี่ยอะไรคือทุกข์แล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทาสี่ขันธ์ห้ากำหนดไหมายไว้แล้วว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมท่าสี่กับขันธ์ห้ากำหนดหมายไว้แล้วว่าเป็นทุกข์เมื่อท่าสี่กับขันธ์ห้าคือตัวกายกับใจถูกกําหนดหมายไว้แล้วว่าเป็นทุกข์เมื่อความทุกข์เกิดขึ้น ทางกายวิือทางใจถือว่าเป็นความผิดปกติไหมไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติอะไรเลยนะนความความผู้เกิดขึ้นกับชีวิตนี่ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติอะไรนะแล้วเป็นเรื่องที่ต้องหน่ากลัวกับสิ่งความผู้กับที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตไหมไม่ต้องไปหน่ากลัวอะไรกับมันกลัวมันทําไมผู้เจ้าไม่ได้สอนให้กลัวเนี่ยศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งความกล้าไม่ใช่ศาสนาที่สอนให้กลัว เราก็ไม่ต้องไปกลัวทุกเพราะมันไม่ใช่ของน่ากลัวแต่เป็นของที่เป็นปกติของมันแต่เราไม่ทราบความเป็นปกติของกายกับจิตว่ามันมีทุกข์อยู่เนี่ยเพราะความไม่ทราบความเป็นปกติของกายกับจิตก็เลยตกอยู่ภายใต้ความกลัวอะไรก็ตามที่ทำด้วยความรู้สึกที่มีอำนาจแห่งความกลัวครอบงาอยู่สิ่งที่ทาทั้งหมดถือว่าเป็นความหลง ผู้ใหญ่ยสอนให้รู้รู้อะไรรู้ทุกใช่ไหมล่ะรู้ทุกอะไรตัวทุกกายกับใจเป็นตัวทุกเหตุให้เกิดทุกหลังความหลงไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ในกายในใจใช่ไหมไม่รู้ว่าในกายในใจคือตัวทุกคือความหลงไม่รู้และเมื่อเกิดความหลงไม่รู้ขึ้นจึงเกิดความอยากอยากอะไรอยากที่จะไม่เจอทุกอยากไม่ให้ทุกเกิดอยากที่จะหนีออกจากทุกอยากที่จะหลีกเลี่ยงทุกอยากที่จะไม่ประสบกับทุกอยาก สุขอยู่ตลอดพระเจ้าก็บอกว่าเมื่ออยากก็เกิดการยึดเมื่อยึดก็เกิดกรรมเห็นไหมการทํากรรมลงไปตามความอยากเมื่อการทํากรรมกรรมลงไปตามความอยากความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกเพราะความอุปทานเป็นรรไปัจจัยให้เกิดภพชาติทุกชน า, ามาลณนะก็บนอยู่นี้ก็นีออกมาไม่ได้พระเจ้าบอกให้รู้รู้เหตุ รู้ทุกและยอมรับรู้เห็นแล้วละใช่ไหมหลักละโดยการเมื่อมันเกิดจากความไม่รู้ก็ต้องรู้เมื่อเรารู้ทุกและเข้าใจทุกขณะที่ทุกเกิดก็ละแล้วใช่ไหมหล่กเราก็ละแล้วนะมันละสบู่ไทยไปแล้วเมื่อราสบู่ไทยไปแล้วความดับไปของความทุกข์อันที่จะเกิดใหม่ก็ดับไปได้อันนี้ก็เป็นนิโรธนะคนทําให้แจ้ง เช่ไหมล่ะเมื่อรู้จักทุกและยอมรับรู้จักสมุทัยแล้วล่ะรู้จักนิโรธแล้วทําให้แจ่มบ่อยๆรู้อยู่บ่อยๆนั่นแหละคือมัจโยบใบไม้ับมือเดียวมัจจะเจริญขึ้นจนละกิเลสได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของมัจที่ทําทํามากทําน้อยรู้ทุกมากรู้ทุกน้อยรู้ทันมากรู้ทันน้อยรู้ต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง การรู้ต่อเนื่องนี่สําคัญที่สุดเพราะจะเกิดกําลังในการประหารกิเลสได้ถ้ารู้ไม่ต่อเนื่องเขาว่าต่อเนื่องคือยี่สิบสี่ชั่วโมงบางคนบอกว่าใครจะไปทําขนาดนั้นได้ยีิบสี่ชั่วโมงก็มีคนทําได้คนที่บอกว่าทําไม่ได้แสดงว่าคนนั้นไม่เคยทําหรือทําแล้วความเพียรอ่อนหรือทําไปแล้วมันอะไรเขาเรียกขี้เกียจก็เลยไม่รู้เลยว่ามันจะไปรู้ทุกยี่บสี่ชั่วโมงได้ยังไง โอ้มันรู้ทําไมจะไม่รู้ยี่บสี่ชั่วโมงแค่ยีิบสี่ชั่วโมงถ้ามันมีสามสิบชั่วโมงก็จะรู้สาสิบชั่วโมงถ้ามันมีห้าสิบชั่วโมงก็รู้ต่อห้าสิบชั่วโมงต่อเนื่องกันได้เลยคนที่ทําได้พวกทําไม่ได้ทุกคนหรอกไม่ใช่หากคนมีความเพียรที่เพียงพอกันจะทําได้ทุกคนแต่ที่มันไปทําไม่ได้ทุกคนเพราะความเพียรไม่เพียงพอต่อกันทุกคนเพราะหลักการมันเดียวกันมันก็เหมือนกับ โจทย์นักเรียนที่จะให้นักเรียนทําน่ตั้งโจทย์ตั้งอะไรไปนักเรียนเอาวิธีไปทําก็บางคนก็ได้คําตอบมาไม่เหมือนกันเพราะอะไรทำให้ถูกวิธีสําคัญที่สุดคือหนึ่งทำให้ถูกวิธีสองความเพียรในการทําให้พอบางคนบอกทํำไมมนทํายากก็มันยากน่ต้องทํามันยากนะโอเอาอยากอย่างนี้แล้วจะทําได้ไงมันยากแต่พระเจ้าทําให้ง่าย ใ ห, ให้ทําแบบให้ง่ายเพราะเป็นของยากจึงต้องทําให้มันง่ายทําไงให้มันง่ายก็ที่ถอนมาเนี่ยมันง่ายแล้วนะ น, นี่ที่พูดมาเมื่อกี้ง่ายแล้วนะหรือจะเอาง่ายที่สุดที่พระองค์ทรงสอนไหมโอบอกวา่าไงไหมที่ง่ายที่สุดที่สั้นที่สุดที่พระองค์ทรงสอนไหมเขาเรียกว่าเป็นยอดทำพระเจ้าบอกว่าสัพเพธรร ม, มานานังอภินิเวสายะ ทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นจบนี่คือสั้นที่สุดแล้วที่พงศงสอนสั้นที่สุดลับที่สุดตรงที่สุดเงี้ยแค่นี้เองทำทั้งหลายทั้งทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นเป็นยอดแห่งธรร ถามว่าแล้วทำไมเราไม่บรรลุเพราะเรายังไม่รู้จักเลยว่าทำทั้งหลายคืออะไรใช่ไหมเมื่อเราบรรู้จักว่าทำทั้งหลายคืออะไรมันจะไปยึดมันจะไปวางถ้าอย่างไม่ควรยึดมันหรือมันเนี่ยจะปล่อยวางนี่อะไรคือทำทั้งหลายนั่นเห็นไหมต้องไปสู่การเรียนการศึกษาเรียนอะไรเรียนทำทั้งหลายนี่แหละทำทั้งหลายคืออยู่ที่ไหนก็รูปประธรรมนามธรรมตามความรู้สึกก็ต้องไปเรียนพวกเนี่ย ลูกประธรรมเรียนตั้งไหนเส้นผมขนเล็บฟันนังเนื้ออีกเลยที่นี่ก็บอกเอาต้องเรียนพวกนี้ด้วยเหรอก็ถ้ารู้ว่าทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นด้วยปัญญาของตนเองไม่ต้องมาเรียนแต่ถ้ามันไม่รู้ว่าทําทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าคืออะไรทําทั้งหลายนั่นคืออะไรที่ว่าปทั้งหลายนั่นมันทั้งหลายมันอยู่ตรงไหนไอ้ทั้งหลายน่ะทำทั้งหลายน่ะคือทําตัวไหนใช่ไหมต้องมาเรียนไงว่าทําตัวไหน อุศนธรรมอาุศนธรรมขยยากตธรรมรูปมาทำนามมาทำสังกัตธรรมมาสังกังกรเรียนไปให้มันหมดถึงจะได้รู้ว่าทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอย่างไรใช่ไหมล่ะทำไมยึดมั่นถือมั่นไม่ได้รูปคงที่หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหน ม, มก็ไม่คงที่ทแล้วมันจะยึดถือได้ไหมเนี่ยแล้วก็ทราบว่เหตุผลของเราเ <c oughs> พราะฉะนั้นสิ่งในกตามที่มองเห็นด้วยสายตาสิ่งในกตามที่ได้ยินด้วยหูสิ่งในกตามที่ดมกินด้วยจมูกสิ่งในกตามที่ริมลิด้วยลิ้น สิ่งใดก็ตามที่มาถูกต้องกายสิ่งใดก็ตามที่เกิดขับใจยึดมั่นหรือมั่นได้ไหมไม่ได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทางตามือบุกลิ้นกายใจทั้งหมดยึดมั่นถือมั่นได้ไหมไม่เราสามารถกําหนดรอบรู้ในขณะที่เราเห็นในขณะที่ได้ยินขณะดมกลิ่นริ้มรถถูกต้องกายแล้วก็อารมณ์ที่เกิดขับใจได้ทุกขณะหรือเปล่าก็ไม่ได้ไงเราก็ต้องมาทําการกําหนดรู้ให้มันได้ทุกขณะเมื่อกําหนดรู้ให้ได้ทุกขณะว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในทุกๆขณะนั้น แม้ในสิ่งที่เห็นแม้ในสิ่งที่ได้ยินในสิ่งที่ดมกลิ่นลิ้มรสรับการสัมผัสทางกายและอารมณ์เกิดกับใจเมื่อเรากำหนดรู้ทุกอย่างเข้าใจภาบแล้วเราก็เข้าใจเพียงแค่ว่าเป็นแค่สายตาที่มองเห็นเป็นเพียงแค่หูได้ยินเสียงเป็นเพียงแค่จมูกดมกลิ่นเป็นเพียงแค่ลิ้มลิ้มรสเป็นเพียงแค่การถูกต้องทางกายเป็นเพียงแค่อารมณ์เกิดกับใจมันไม่ได้มีอะไรก็แค่สายตามองเห็นไม่ได้มีอะไร ก็แค่เห็นเนี่ยมันจะมีอะไรการที่เขาไปมีอะไรนั้นเพราะการปรุงแต่งเพิ่มเติมจากสิ่งที่เห็นถูกต้องไหมล่ะไปไปปรุงแต่งเพิ่มเพราะอะไรพ่อไม่ไม่รู้พ่อไม่เข้าใจว่าไอ้ทำเนี่ยสายตาที่มองเห็นเกิดขึ้นได้ทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมพยากตธรรมเห็นแล้วเกิดเป็นสุขก็มีเห็นแล้วเกิดเป็นทุกข์ก็มีเห็นแล้วเกิดไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีเห็นแล้วเกิดเป็นบุญก็มีเห็นแล้วเกิดเป็นบาปก็มีเห็นแล้วเกิดเป็นสิ่งที่เฉยเฉยไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็มีใช่ไมล่ะ หูได้ยินเสียงได้ยินแล้วเกิดเป็นบุญก็มีได้ยินแล้วเกิดเป็นบาปก็มีได้ยินแล้วเกิดเป็นเฉยเฉก็มีจมูกต้มกินดมแล้วเกิดเป็นบุญก็มีนะอะดมดมแล้วเกิดเป็นบุญยังไงหอมอย่างถ้าจะกินดอกไม้ค่ะกินดอกไม้ถ้าหอมเขาก็อันนี้น่าจะสบายค่ะอันนี้ก็ไม่แค่กินหอมของดอกไม้ก็ปลาเออก็มันก็ปรุงเป็นกุศลแล้ว เราไปเข้าใจว่ากุศลเราไปกําหนดเข้า่ากุศลคือบุญนี่อยู่ที่การทําบุญจริงๆกินดอกไม้หอมหอมนี่ก็เป็นบุญแล้วนะ<อ>พิสูกรูปหนึ่งเอาบิดามาบวชนะครับพุทธการบิดามาบวชตอนแก่แล้วยังไม่สามารถกําหนดกรรมาฐานได้ฝึกกิตอะไรก็ยังฝึกไม่ได้จะทํายังไงนาะให้บิดาไปสู่สุคติภพภูมิที่ดีก็เลย เอาไปที่ร้านระเจดีดีตัานดอกไม้เอากระถางดอกไม้มาเรียงกันรอบๆเตียงให้บิดาเห็นแต่สิ่งที่สวยงามเห็นแต่ดอกไม้กินของดอกไม้ก็เข้าจมูกก็สดชื่นตายปั๊บสู่สุขติเห็นไหมดอกไม้ไมีหน้าพ่อจารยูบอกว่าการปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ปลูกอะไรพวกเนี้ยบุญเกิดตลอด24ชั่วโมง กินสามารถปรุงแต่งสวรรค์ได้กินของดอกไม้เนี่ยนะปรุงแต่งสวรรค์ได้กินเหม็นก็ปรุงแต่งลรกได้กินหอมก็ปรุงแต่งสวรรค์ได้สำหรับผู้ที่ติดกินแต่สำหรับผู้ยังไม่ติดกินก็ก็สักแต่ว่ากินใช่ไหมล่ะก็แค่จมูกได้กินมันไม่มีอะไรกว่านั้นไม่มีตัวตนมีแค่จมูกดมกลิ่นมีแค่ลิ้นริมรดมีแค่ไกา ลองรับกันถูกต้องสัมผัสมีแค่ใจรับอารมณ์ถ้าใจไม่รับอารมณ์เราก็ไม่รู้จักอารมณ์บางคนไม่อยากให้ใจรับอารมณ์กระทบงั้นก็ไม่ต้องมีใจไม่มีใจก็ไม่ได้อีกมันต้องมีเนี่ยเมื่อมีใจจะไม่ให้มีอารมณ์ไปกระทบใจได้ไหมล่ะเหมือนกับมีตาจะไม่ให้ภาพมาสัมผัสกับตาได้ไหมล่ะได้ก็หลับตาไว้แล้วให้หลับตาจะยอมหลับตาไหมล่ะไม่หลับทีนี้เห็นไหมล่ะมันก็ต้องเลือนตา เพื่อที่จะเห็นก็นั่นหมายถึงว่าพวกนี้มันเป็นอายตนะรับการสัมผัสรับการเกี่ยวโยงเข้ามาทางสามม้างคุมบัติทน่กายใจเพราะฉะนั้นอารมณ์กระทบใจจะกระทบแค่ไหนก็ตามปล่อยให้มันกระทบไปมันเป็นเพียงแค่อารมณ์กระทบใจเมื่อเขาเข้าใจกำหนดรู้ตลอด24ชั่วโมงได้ทุกคุขัะรูปประทามนาประทาม ก, ก็แค่การมองเห็นก็แค่เสียงหูได้ยินเสียงก็แค่กลิ่นลิ้มรสแค่ กินสมูกดมกลิ่นริมริมด ม, มันก็อ๋ อ, อที่เองที่ผู้เจ้าบอกว่าทำท่าไรทุ่งพวงไม่ควรยึดมั่นถือมันมันยึดอะไรได้ไหมล่ะกินไม่ได้เมื่อมันยึดไม่ได้ก็ก็เราจะไปหลงยึดมันทําไมอย่างเงี้ยมันก็จะต่อตัวเองเองขี้คลายตัวเองเองคูณเรื่องนี้ไปไปมากคนคิดตามไม่ทันก็จะปวดหัวเอาเรื่องเบาๆ ใบไม้หนึ่งกำมือก็ยมีอะไรมากเราจะเอาจริงๆก็แค่ทานศีลสมาธิปัญญามันกำมือนี่โอ้โหยังเราจะมาทำได้เอาหนึ่งกํามือนี่แหละอย่าไปเอานอกกํามือเลยไอ้นึงกํามือนี่ยังในหนึงกํามือนี่ยังงงกันทั่วทั้งประเทศเลยนะและไอ้นอกกํามือไม่ต้องมาพูดถึงไอ้นอกกํามือนี่โอ้ยุ่งเป่าๆหนึ่งกํามือนี่คือสาระประโยชน์ที่เราควรจะเอาควรจะยึดถือไว้ แต่ไอ้นอกกํามือเป็นสิ่งที่ควรต้องทิ้งอย่าเอามาใส่อยู่ในหลักคําสอนของผู้ได้เจ้าทีนี้เราเอานอกกํามือมาใส่ในคําสอนผู้เจ้าเยอะแยะมากมายไงมันเลยไม่ใช่กรรมมือเดียวแล้วมันมันจะหอบพลุนพลังจนไม่รู้จะเอาอันไหนดีไงเนี่ยว่จะ เ, เอาอกกรรมเดียวเนี่ยแต่ทุกวันนี้มันหอบขึนไปหมดเลยบุญก็หามบาปก็หิวไปทั้งบุญทั้งบาค ก, กลัว่แต่จะไม่ได้บุญอ้ามกันไม่รู้จัะว่าบุญอันไหนคือบุญผู้เจ้าบอก นั่งอยู่เฉยก็เป็นบุญถ้ารู้จักบุญใช่ไหมนอนก็ยังเป็นบุญเลยถ้ารู้จักบุญเดินเล่นก็ยังเป็นบุญเลยถ้ารู้จักบุญถ้ามันไม่รู้จักบุญมันก็ไปแต่เที่ยวแสวงหาแต่ทำบุญทาบุญทาบุญอย่นั้นอันนี้คือสำหรับคนมีปัญญาแล้วแต่สำหรับคนไม่มีปัญญาก็ต้องไปทำบุญไปทำที่ไหนบุญผุ้ได้เจ้าชี้ให้ทาที่ไหน สงสาวกของพระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้พืดีปฏิบัติชอบอะทำไมถึงชี้มาหาสงสาวกพระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเนื้อเนื้อนาบุญแล้วถ้าสงนั้นไม่ใช่สาวกของพระสมมาสัมพุทธเจ้าล่ะคือสงที่บวชมาตามปกติที่ไม่ได้เป็นสุปฏิปโนผู้เจ้าชี้ให้ไปทําบุญไหมชี้ไหมไ ม, ไม่ได้ชี้นะผู้เจ้าบอกว่าสงสาวกของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ผู้เจ้าสอนชี้ให้ไปทําบุญเพราะอะไร อาหูเนโยเพราะอะไรอามุเนโยเพราะเป็นผู้ควรค่าแก่การบูชาบูชาด้วยปัจจัยนะีปาหุเนโยเป็นบุคคลผู้ควรค่าแก่การต้อนรับอย่าไม่หลับไปที่ไหนก็ต้องต้อนรับทักคีนโยเป็นบุคคลผู้ควรค่าแก่การให้ทักสีนาทานอัญชลีกาเลนิยโยเป็นบุคคลผู้ควรค่าแก่การกราบไหว้อัญชลีเพราะอะไร พอเข้ามาญหาภิกษุที่เป็นสุปฏิปโนนี้พระพุทธเจ้าคาดบังไว้ว่าบุคคลผู้ให้ทานแก่ภิกษุผู้เป็นสุปฏิปโนเนี่ยภิกษุที่เป็นสุปฏิปโนนั้นจะบอกใบไม้หนึ่งกำมือให้กับเขาได้ถ้าไปทําที่อื่นเขาไม่บอกอ่ะเขาจะไม่ให้แต่ถ้ามาทํากับภิกษุสุปฏิปโนเขาจะบอกใบไม้หนึ่งกำมือให้กับบุคคลผู้ให้ทานเพราะมันก็จะเพิ่มพูนจากการที่เขาเพียงแค่ให้ทาน มันก็จะเพิ่มภูมขึ้นมาว่าอ๋ อ, อเขาได้ฟังทำด้วยพอได้ฟังทำแล้วปุ๊บนายทำก็ชี้เขาบอกว่าเขามายึดถือพระรัตนตรัยเขาก็จะได้รัตนไตัตยเขามากอีกพอรู้จักรตัตนตรัยแล้วพิกษูสุภีริปนุก็จะชี้ให้เขาไปหาศีลก็ขยับเข้าไปหาศีลอีกเขา ก, ก, ก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าไปทําทานกับคนอื่นเขาบอกว่าต้องแก่เข็ดนะต้องไปจุดไฟอยู่บนเกดีชั้นที่สิบอบุะ ที่ไม่ใช่สุปฏิปโนนะเขาบอกว่าโอถ้าเป็นอย่างนี้ต้องไปสวดมนต์เกินกว่าอายุนะเอาสุปฏิปโนเขาสอนกันอย่างนี้เหรอไปสวดมนต์เกินกว่าอายุนะเขาบอกถึงจะชาติชีวิตถึงจะพ้นจากปีชมปีอะไรก็ว่าไป กลาบเรียนพระอาจารย์อาการปวดฟันนำมาพิจารณาให้เห็นทุกได้ไหมครับได้สิก็นั่นแหละคือทุกถ้ามันไม่ทุกมันจะปวดอยู่เหลอฟันน่ะนั่นแหละคือทุกพิจารณาได้เห็นทุกเหตุให้เกิดทุกคืออะไรการมีฟันการมีฟัน เหตุเหตุเหตุอออของการปวดฟันอ่ะคืออะไรเของการปวดฟันเอาองยี้ก่อนฟันใช่ไหมอะไรเป็นที่ตั้งให้เกิดมีฟันขึ้นกายฟันก็เป็นกาย<ะ>ใช่ไหมแล้วแล้วกายส่วนไหนปากเราขอให้เกิดฟันอันนั้นคือพูดสมุติฐาน ทางภายนอกแต่สมมุติฐานทางธรรมก็คือกรรมยังไงกรรมอุตุจิตตรงนี้ที่ที่ที่ก่อให้เกิดรเราเร า, เราต้องพูดโยงไปถึงกรรมเพราะกายทั้งหมดมาจากกรรมเป็นผลของกรรมนะผมคนเลี้ยฟันเนื็กระดูกพวกนี้เป็นผลของกรรมนั่นเพราะฉะนั้นแต่อันนี้เราพูดถึงการการปวดฟันที่มันมันเป็นส่วนผลแล้วว่า ทำไมมันถึงปวดเพราะฟันนั้นมีความอาภาษคือความเจ็บป่วยอยู่ในตัวของมันเพราะมีฟันก็ต้องมีอาภาษความอาภาษณ์จึงได้ชื่อว่าเป็นทุกข์ฟันมันปว่วยเรียกว่าอาภาษอาภาษมีความหมายว่าบกพร่องหรือ อ, อะไรความบกพร่องของมันมันมีความบกพร่องอาภาษณ์เพร า, าความบกพร่อง ต้องเก็บต้องป่วยต้องเป็นไม่สามารถคงที่ในตัวของมันมเมื่อมองเห็นเป็นทุกได้แล้วถามว่าการปวดฟันเนี่ยเป็นเรื่องแปลกประหลาดไหมไ ม, ไม่แปลก ม, มันก็ต้องปวดถ้า ส, สมมติว่าไม่มีฟันเลยแล้วไปปวดฟันนี่แปลกประหลาดไหมไมันมันก<ต>็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ ไ, ไหมพี่นาเป็นทุกขอ๋อนี่ทุก นี่เหตุที่เกิดทุกถ้าเราเกิดอีกมีฟันอีกแล้วก็ต้องปวดฟันอีกเกิดอีกมีฟันอีกก็ต้องพอมันเป็นผลของกรรมเห็นไหมก็คิดไปอย่งงอ๋อเกิดแล้วเกิดอีกก็ต้องปวดแล้วปวดอีกแล้วนี่ปวดซี่เดียวแล้วมันมีกี่ซี่สามสิก็ต้องปวด30มสิบอันแต่อันนั้นมันยังไม่ปวดมันมาปวดอันนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นบทเรียนให้กับเราแล้วว่ามีอีกก็ต้องทุกข์อีกมีอีกก็ต้องปวดอีกมีอีกก็ต้องรับผิดชอบมันอีก โอ้โหอุตส่าดูแลรับผิดชอบกันมาตั้งแต่เล็กจนโตมันก็ยังมาปวดอยู่เนี่ยคือเรียกว่ามีความอาภาัตความบกพร่ขของความไม่สมบูรณ์ในตัวข้องมันพี่น่าเป็นทุกข์ได้เหตุให้เกิดทุกข์ก็อยู่อยู่ที่นั่นคือความอาภาัตข้องมันความดับไปของทุกข์ก็คือไม่มีฟันยอมรับว่ามันเป็นแบบนี้เพราะในความหมายของผู้เท่าก็คือหนึ่งยอมรับทุกข์ก่อน สอยอมรับการที่จะไม่สร้างเหตุเพิ่มจากทุกที่มันเกิดใช่ไหมไม่สร้างเหตุเพิ่มเรียกว่าสร้างความรู้เข้าไปในตัวฟันตัวเดียวเนี่ยสร้างความรู้เข้าไปกําหนดรู้เข้าไปแล้วให้เกิดการยอมรับเมื่อยอมรับได้มันก็ไม่เกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในเบื้องหน้าคือไม่สร้างกรรมเพื่อที่จะให้เกิดเป็นทุกข์กับฟันนี้อีกต่อไปแล้วก็ ความดับทุกข์ที่แบบเป็นไปในเบื้องหน้าก็ดับได้การยอมรับแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจในการที่มันปันมันปวดอยู่ก็เห็นความดับไปว่าทําอย่างเงี้ยความทุกข์ในเบื้องหน้าจะดับไปได้ก็ได้บอกมั้งรู้สึกว่าถ้ายอมรับแล้วควาทุกข์มันลดลงค่ะถ้าท่านพี่มันก็ยังมีมเจ็บ ม, มันยังคง ม, มีแต่แต่เราไม่รู้สึกทารงงนถ้าเรายัง เราแยกมันออกได้แล้วใช่ไหมว่าความเจ็บที่ก่อให้เกิดทุกข์กับความเจ็บที่เรารู้แล้วไม่ก่อให้เกิดทุกข์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นความทุกข์เป็นอีกเรื่องหนึ่งความเจ็บเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรายังสามารถรับรู้แล้วก็แยกออกได้เมื่อเราแยกออกได้การปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าไปดับทุกข์แน่นอนว่าต้องดับได้ขนาดแค่นี้มันยังเรายังเห็นว่ามั น, มนลดลงได้ใช่ไหมเห็นไห ม, ห, ไ ห, มหลักอริยสัจสีนี่เป็นหลักที่ใช้ได้จริง แต่คนไม่เอาไปใช้คนเข้าใจว่าต้องนั่งสมาธิสงบลงไปแล้วจะรู้อริยสัจสีในขณะนั้นโดยไม่ได้ผ่านการพิจารณาเลยอันนั้นขอให้รู้ว่าเข้าใจผิดนอกกรรมมือแล้วนะไม่ได้อยู่ในกรรมือในกรร ม, มือสอนบอ ก, กว่าพิจารณาต้องเทียบอริยสัจโลบสูท่าสี่ขันห้าให้ได้เนี่ยมันจะเข้ามาแบบลึก อ, อีกแด้ไนะคนฟังไม่รู้เรื่องกับปวดองอ้อ เรื่องอื่นเรื่องเบาเบาอาจารครับที่เห็นแบบตัวเองประสบด้วยตัวเองนะคะการยอมรับที่มันมีผลทำให้เราสามารถ นั้นก็เอาสถานการณ์เป็นเครื่องฝึกจิตบ่อยๆและเราจะไม่เป็นคนที่กลัวสถานการณ์อะไรเลยลทีนี้จะเป็นผู้รู้จักสถานการณ์จะไม่กลัวถ้าหนีก็ไม่ตอนแรกก็ยังหนีก่อนออกก่อนตอนนั้นิด ไ, ได้ การเดินกิจก็ต้องเดินอย่างนี้ใช้ความจริงเราจะเรียนรู้มาเยอะแค่ไหนก็ตามหากเราย er ังไม่เห็นอาการจริงที่เกิดกับเราจริงๆและไม่ได้กำหนดรู้ที่เกิดกับเราจริงๆและไม่ได้ใช้ความรู้ที่เราเรียนรู้มากับเหตุการณ์นั้นจริงจริงเราก็จะไม่เกิดปัญญาก็เป็นเพียงแค่สัญญาความทรงจำต้องเห็นจริงเกิดจริงกระทบจริงรับทราบอาการจริงแล้วก็ใช้ความรู้เข้าไปทันต่อความจริง แล้วก็จะเห็นความจริงแล้วปัญญา ก, ก็จะเกิดกา <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> รัญมิตเป็นสิ่งจําเป็นมากจาเป็นสิพระพุเจ้าเคยบอกว่าเป็นบุพนิมิต uh huh. เป็นนิมิตหมายให้ทราบว่าคนคนนั้นจะเข้าถึงสวดับันหรือเปล่าดูที่การยานามิตรคนที่อยู่รอบตัวเขานะเป็นบุพนิมิตเป็นนิมิตหมายบอกบุพภะไปว่าก่อนนิมิตคือเครื่องหมายเครื่องหมายที่จะให้รู้ก่อนว่า คนนั้นจะเป็นสวัสดบิบาลหรือไม่เป็นสวสดาบันคนนั้นจะก้าวขาไปสู่ส ก, กัดทาคามีนะครมีหรืออาหารในเบื้องหน้าหรือเปล่าดูที่กัลยาณมิตร mm hmm. กลุ่มของคนที่มีเพื่อนอมีเพื่อนที่ชอบเส้นสูงศักระบูชาตัวเขาจะหลีกหนีจากความเป็นอย่างนั้นได้ไหม mm hmm. ไม่ไดกก้ก็ต้องไปสู่การเส้นสูงสักระบูชากลุ่มของบุคคลที่ชอบอิทธิฤทธิปฏิหารลงเหล็กลงยัน์ คนที่ไปอยู่ในนั้นจะไปโดยที่ไม่ได้อยูู่มีพฤติกรรมอย่างนั้นได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ก็ก็ต้องเป็นไปกับด้วยกันเขาเรียกว่าเป็นมิตรมิตรที่พากันไปมันไปกันด้วยมิตรเนอันนั้นก็คือเขาเป็นมิตรของเขาในกลุ่มเขาผู้ใหญาบอกดูง่ายๆว่าเขาจะสําเร็จเป็นโสดบัณหรือไม่เป็นโสดบัณฑ์ดูที่เขาคบมิตรแบบไหนมิตรนั้นจึงจะดึงไปได้ ผู้ได้เจ้าบอกว่าหากใครครบตถาคตเป็นกัลยาณมิตรคนนั้นก็เที่ยงแท้ที่จะตัดสรู้หากใครครบภาษาลิบุตรพโมคารนณะเป็นกัลยาณมิตรคนนั้นก็เที่ยงแท้เหมือนกันหากใครไปครบพระมหากัจจายนะพระกสปาก็เที่ยงแท้ที่จะบรรลุหากใครไปครบเทวทัศ์ก็เที่ยงแท้ที่ไปนรกเหมือนกันมันมองกันอย่างเนี้เห็นไหมล่ะพระเทวทัศน์พระโกากาลิกะพระอ่เพือนูนแณะอยู่ด้วยกันนั่นแหลตอนนี้ เอาจริงๆนะก็คนที่พบพระเจ้าก็ไปนิพพานก็พากันไปอย่างนั้นก็พระเจ้าพาไปไหนก็ได้ไปอย่างนั้นนะดูทีนี้ดูว่าใครที่สอนเรานําเราพาเราปฏิบัติหรือกลุ่มการปฏิบัติของเราเนมุ่งไปในทิศทางไหนเช็ค ก, ก่อนเช็คให้ดีก่อนก่อนที่จะเข้าไปกลุ่มเพราะมันจะต้องเป็นไปเดียวกันหมดเลย การเข้าไปสู่สังคมหรือกลุ่มเนี่ยกลุ่มหรือว่าสังคมเนี่ยสังคมมันแห่งเคือเป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่เขาเรียกว่าเป็นหมู่ไอ้หมู่นี่แหละมันมันมีกําลังในการดึงมากเพราะจิตบางหวงมันเป็นสัสังขาริปต้องสักสังขาริกคือต้องถูกดึงไปต้องถูกชักจูงไปถูกคนอื่นชักจูงด้วยมวลเหตุปัจจัยของคนอื่นแต่พวกที่เป็นอนสังขาริกนี่ไม่ต้องชักจูงคือมีสติปัญญาของตัวเองตัวเอ ง, เองชักจูงตัวเองเอง ตั้งตัวเองเองให้ดีแม้อยู่คนเดียวอันนั้นก็กระทำพระนิพพานให้แจ้งได้นนแต่อสังขาริกไม่ค่อยมีมีน้อยพระดีๆอยู่ในป่าดีๆปฏิบัติดีๆพอออกจากกลุ่มนี้ปั๊บไปอยู่อีกกลุมม่มใหม่เปลี่ยนไปอีกเลยนี่ไม่อยู่ในร่องรอยเดิมมีอย่างนี้มีเห็นไหม กลุ่มหรือหมู์มันจะพากันไปเรียกว่าการยานามิตรสําคัญมากครูจา่าจึงบอกว่าการยานามิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรอาจารย์ทั้งหมดเลยของพระหมจารย์ในศาสนานี้ไปสัมไปสำนักที่สร้างโพธิลูปใหญ่โตโมโหล า, านเมื่อไปอยู่ในนั้นหลีบนี้จากการที่จะเข้าร่วม ในนั้นได้ไหมล่ะผลที่ได้ก็คือได้ชื่นชมวัตถุรูปที่สร้างเสร็จแล้วก็ชื่นชมอย่างนี้นแหละตื่นเช้ามาเห็นกษัตริย์รชื่นชมได้แค่ชื่นชมอยู่เนี่ยเปถือดวงมันตายตายไปได้วยความชื่นชมในวัตถุรูปเป็นยังไงจิตเกาะเกี่ยวใช่ไหมเกาะเกี่ยวไปไหนอะ่กะก็เกาะได้สถิตจุเห็นไหมล่ะทีนี้ถ้าชื่นชมในธรรมรา ล, ลึกถึงอริย ส, รรสัจสี่เราลึกถึงพระรัตนาตราัยพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ มันไม่เกาะเกี่ยวกับอะไรเพราะธรรมไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวได้ตัวธรรมน่ะมันมีการเกาะเกี่ยวในตัวของมันเองใช่ไหมล่ะก็ไปตามธรรมหรือหากยังเกาะเกี่ยวอยู่ในธรรมอยู่เดี๋ยวน้อยก็จางกลุ่มเช่นมีกําหนดหมายในธรรมสัญญาในธรรมะที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกําหนดหมายนั้นจุติจิตพักก็ปฏิสนธิสูตร จตุ้มอันนี้แค่แบบห ย, ยาบๆนะบแบบละเอียดขึ้นไปคือกําหนดไม้ในการที่เราได้ปฏิบัติจนเข้าไปรู้หลักอริยสัจสีการเกิดเป็นความทุกข์รู้ปับ๊บเกิดปุ๊บพอไปเกิดปุ๊บอ๋อนี่คือการเกิดขึ้นแล้วมันก็ปฏิสนธิขึ้นปับ๊บพอปฏิสนธิขึ้นปับ๊บพึบขึ้นมาการเกิดเป็นความทุกข์การเกิดเป็นความทุกข์อยู่ในใจใช่ไหมปับ๊บมันกรู้อ๋อนี่คือทุกข์เกินนี่ไม่ใช่ เป็นเทวดาก็ตามมันก็จะรู้ทันทีว่านี่คือทุกเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเบื่อหน่ายเลยนี่ปฏิเสธการเกิดจิตก็จะเดินขึ้นไปอีกพัฒนาตัวเองเป็นลําดับขึ้นไปเรื่อยเกิดอีกพบต่อไปคือดับจากจาตุนเพิบไปเกิดยามาดาวดึงยาดาวดึงยามามันก็การเกิดก็เป็นทุกข์ก็ไม่พอใจในสวรรค์เกิดในชั้นไหนก็ไม่พอใจจะไปเกิดในชั้นภพก็ไม่พอใจในภพ เพราะการเกิดคือความทุกข์พมนี้ยังเกินการเกิดอยู่มันก็ไปสู่การดับดับการเกิดอั น, นี้คืออาศังขตันไม่มีการไปไม่มีการมานะการส่งผลของกรรมฐานหรือวิปัสสนาเนี่ยมันมันมันไปตามลําดับมันไม่มีจะข้ามพบความชาติก็จริงแต่ไม่มีการขั้นมีการขาดขั้นตอนหากกำหนด ร, รู้รู้อยู่ไปวันในธรรมมันก็ติดไปติดไป แล้วก็ใ น, ในทุกๆเวลาของเราเนี่ยเราก็ต้องคิดในเรื่องของการนิทานที่เป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ต้องคิดสิดไปตอลอดใช่คิดตีเข้าประตูเดียวเลยทุกเท่านั้น<ม>พู้ทีเจ้าจึงบอกว่ามีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นนะ <c oughs> มีแต่ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ <c oughs> มีแต่ทุกเท่านั้นที่ดับไป <c oughs> นอกจากทุกไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกไม่มีอะไรดับทําไมผู้เจ้าถึงกํากับคํานี้นักหนาเพื่อให้เรากระโดดรอบรู้เ้ราเป็นสัจจะจะให้สอนเป็นนอกเหนือยจากนี้ไม่ได้ที่มาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอยู่ทุกวันนี้มันไม่มีใครแกร่ใครเจ็บใครตายมีแต่ทุกข์เกิดเดพิ่มีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปถ้าจะบอกว่าเกิดแกเจ็บตายก็ขันนะเกิดขันแก่ขันเจ็บขันตาย แต่เราไปเข้าใจขันว่าเป็นเราก็เลยยึดเราแก่เราเจ็บเราตายถ้าบอกว่าขันแก่ขันเจ็บขันตายกลัวไหมล่ะไม่กลัวแต่เขาบอกเราแก่เราเจ็บเราตายกลัวไหมล่ะกลัว่ามันเสียตรงที่ไปมีเราในสิ่งนั้น่ะสิ่งที่มันเป็นพวกมันอย่างนั้นเราเห็นต้นไม้ตายเรากลัวไหมไม่กลัวมันก็ต้นไม้ตายแต่ถ้าต้นไม้เราตายล่ะที่เราปลูกมาน่ะ ฟูมฟักมาตลอดต้นไม้เราของเราของเราของเราพอมันเที่ยวลงสักวันหนึ่งหรือมีใครมาเโอ้โหยังไม่เสียดายเสียใจต้นไม้เออะล้านมากเลยอำนาจของอุปทานความผิดผ มันไม่มีโดยตัวธรรมชาติของมันก็ไม่มีแต่เราไปเข้าใจว่ามีพราะความที่เราเข้าใจว่ามีมันก็เกิดมีตามมาจริงๆนะมีจริงๆมีทุกตามมามีอุปทานตามมามีความอยากตามมามีมีหลายๆอย่างตามมามันมีตามความเข้าใจที่เราเข้าใจหากเราไม่เข้าใจผิดมันก็ไม่มีหรือมันจะมีตามเหตุปัจจัยที่มาจากผลของกรรมแล้วก็ให้มันมีไปอันนั้นมีตามเหตุปัจจัยของผลของกรรม แต่จะให้มีต่อไปมันไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นอาสวะกิเลสเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็อยู่ด้วยกรรมเลยทีนี้ผู้เจ้าก็อยู่ด้วยกรรมเลยทนี้กรรมจะพาไปเป็นไปส่งผลยังไงก็เป็นเรื่องของกรรมเลยทีนี้ไม่มีการไปสร้างอันใหม่เพื่ไม่มีการสร้างอันใหม่ด้วยอํานาจของอุปทานหรือความหลงผิดด้วยความไม่รู้ไม่มีไม่มีเด็ดขาแต่ทีนี้ เอาเงี้ยพระโมคะลานะหนีหนกรรมพ้นไหมท่านสิ้นแล้วสวักิเลสท่านยังหนีกรรมไม่พ้นนะหมายถึงว่าปล่อยให้เป็นไปตามวิถีของกรรมไปเลยมันเป็นธรรมชาติที่มันต้องเป็นเป็นเรื่องของกรรมไปแล้วพอท่านสิ้นแล้วสวักิเลสแต่ทีนี้คนเราเนี่ยทั้งๆที่กรรมยังไม่เกิดขึ้นและยังไม่ให้ผลแต่ไปตรวจชะตาดูตามหมอโหนบอกว่าจะเกิดอันนี้ขึ้นจะเกิดอันนี้ขึ้นปีนี้ชงอย่างนงี้นี่ไปทําไงแก้แก้กรรม แก่ชงทั้งทั้นี้มันจะไม่เกิดเลยนะแกนะครับพระพุทธเจ้าแกไหมล่ะทั้งทั้ที่พงษ์รู้ว่ามันจะเกิดอะ่ะพุทเจ้าก็บอกว่ามันจะต้องเกิดเหตุตามเหตุปัจจัยนี่คือความแตกต่างของคนมีกิเลส ก, กับคนไม่มีกิเลสถ้าเราไปแก่ปับ๊บแสดงว่านี่เราใช่ไหมนี่ขันของเราใช่ไหมขันของเราเห็นไห ม, อหไหมพอขันของเราปับเป็นยังไงนี่น ตอบสนองตัวเองตอบสนองตัวเราเมื่อช่งามยกันอจวุดวนติดคิดว่าเกก็มันก็การแก้กรรมก็เป็นการสร้างกรรมใหม่สัมผัสกับกรรมเก่าเพิ่มเติมเข้าไปอีกแก่ไม่ถูกจุด จะมีสองมาที่ผิดก็คือให้เพื่อไม่ให้มีการกาะเกี่ยวกันกันต่อไปในพบต่อไปค่ะเราเข้าไปหาเขาได้เลยไปคุยคือเหมือนเพราะว่าไปลบที่ิปของตัวเองนะที่จะไปคุยกับเขาไปขอโทษหรืออะไรก็ได้แล้วแตลนี่ค่ะซึ่งตอนนั้นได้ไปทํากับเคพื่อนคนหนึ่งที่ไม่คุยกันแต่กว่าจะทําได้นมันต้องใช้ความพยายามสูง โทรศัพท์ยกโทรศัพท์ขึ้นมาเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมเราจะต้องมอกรอวางโทรศัพท์ลงอย่าง น, น, นี้ค่ะจนๆนั่งโทรไปก็ชวนทานข้าวไปทานข้าวด้วยกันแล้วก็คุยกันมันก็เป็นความปลอบหลงร่มใจนล้ในในเวลาที่เราทําได้แค่แค่ว่าโทรศัพท์ไปหาเนี่ยมันเกิดความรู้สึกปิติยินดีว่าโอ้เราอย่างน้อยเราเราข้าไปถึงขั้นที่เป็นฝ่ายโทรไปก่อน กรณีของคนนั้นเนี่ยรู้สึกินดีมันเบิกปาล์มมันเหมือนกับว่าเราทําได้นะคะ mm hmm. ทีนี้มั น, นก่อนนะคะไปลองปาล์แล้วก็ไปเจอคนหนึงที่โกรธกันเช่นเดียวกันแล้วก็ mm hmm. มันเลื่อนย้อนไปเนี่ยเราทำผิดกับเขาทําให้เขาได้รับความเจ็บช้ำทั้งใจซึ่งมาถึงตอนเนี้ยหลังจากเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเรา เ จ, เจอโดยโดยไ ม, ไม่ไม่ช่องมากกอบก็จะเจอกันนะคะเห็นเข้าปุ๊บก็ก็เลยเข้าไปคุยเลยไปขอโทษแต่หลังจากที่คุยกันไปแล้วเนี่ยใจมันไม่ได้รู้สึกเหมือนกับคนแรกที่เราทําที่ว่าเรารู้สึกดีดีหรือว่าเรารู้สึกเบื่อบานมันรู้สึกเฉยเฉยอะค่ะทําไมทําไมใจมันไม่ไม่รู้สึกิีดีก็มันเราข้ามไปได้หนึ่งก็คนนั้น กรรมมันเป็นอโหสิกรรมไปแล้วอันนี้กรรมไม่อโหสิกรรมหมายถึงว่าเราทาฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายเขายังยังไม่ไม่วางอโหสิกรรมมันจะสำเร็จต้องสำเร็จถ้าสำเร็จแต่ฝ่ายเราฝ่ายเดียวแต่ฝ่ายเขาไม่ไม่มีผลตอบสนองมาดีแต่ว่ามันอาจจะเป็นว่าในใจจริง ค <VIN> <c ces> <f> วามสมันไม่เหมือนกันเลยว่าแสดงว่าอีกฝ่ายเขายังนั้มันมันคงเหมือนเป็นพลังต่อการนะมันมันอีกฝ่ายของใบยองที่เขายอมขอให้นมันมันสามารถจูนหาใจเขาได้ไม่ไม่าความเป็นเบีนยังไม่หมดมันอ่อนลงแค่อ่อนลงต้องบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยจน กรรมนั้นเป็นโอโหสีกรรมปั๊ก็หมดปับ๊บแล้วก็จะเกิดพาปัาแบบเดียวกันนั่นานความว่าเราก็พยายามคุยมาเขาอีกหรือต้องการแก้ตรงนี้หรือเปล่าถ้าไม่ต้องการแก้ก็ก้าวข้ามผ่านไปตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราได้ทำแล้วเราจบของเราแต่มันเรื่องของเขาแล้วทีนี้เวนมันก็ตั้งอยู่ในใจเขาแตในใจเราไม่มีแค่<ะ> okay, นั้นเองเ ร, เราได้ทำแล้วใช่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเวนอยู่มันมีความเป็นเวนอยู่ กำลังของเวนนี้มันไม่ใช่ธรรมดานีมันตั้งอยู่ชั่วกระดับนะและที่สั่งสมมาในจิตไม่ใช่แค่สั่งสมในชาตินี้นะมันสั่งสมมาก่อนหน้าหน้าที่จะเกิดยีนั้ น, อ, นอยู่ที่เขาจะแก้ไขจิตจิตเขาเองมันต้องประกอบพร้อมทั้งสองฝ่ายเราแก้ไขเราฝ่ายเดียวแต่เขาไม่แก้มันก็ยังค้า ง, างแต่ค้างในใจเขานะแต่ของเราไม่ฟัง มันไม่ใช่ว่าทําแบบเดีวยวกันและจะได้ผลแบบเดีวยวกันทั้งหมดไม่ใช่มันจะให้ผลเฉพาะคนที่สิน้นเวรกันแล้วทั้งหมดเรียกว่ากรรมอันโหสิกันแล้วนะสมมติว่าเราน้องไปขออีกคนนึ่งแบบแล้วคนนั้นก็วางใจแล้วคุน้องเออดีตอกนและแล้วเสียว่าคนที่เราไปขอเราขอวันเราบางทีนะ<ๆ>เขาอาจจะตั้งใจไว้ก่อนอยู่แล้วว่าเขาก็อยากจะแก้เหมือนกันเราก็อยากจะแก้มพอดีจังหวะของการแก้กับการแก้มันจังหวะเดียวกัน มันก็คายออกจากการบทลอกกันเลยทีนี้นะเอลล อ, อแต่บางคนเขาก็ไม่ตั้งตัวใช่ไหมล่ ะ, ะเขาก็ไม่ได้คิดหรือว่าเรื่องราวเก่าๆแก่ๆที่ผ่านมาบางทีมันก็ร่วงเลยมาจนความรู้สึกอันนั้นมันถูกกบไปด้วยอะไรบางอย่างเวลามันผ่านเวลาผ่านไปเขาเลยไม่ได้ปีนึกถึงตรงนั้นแต่เรานึกถึงนี่เนี่ย ใช่ไหมล่ะพอเรานึกถึงปุ๊บเราก็เก็บเรื่องนี้ออกมาขี้คายในโดยการกระทําตอบต่อเขาอย่างดีๆแต่เขาไม่ได้นึกถึงป้าเก็เลยกลายเป็นทักทายกันตามปกติธรรมดาโดยมเหมือนกับไม่มีอะไรแต่กลับไปอาจจะีไปนึกได้ก็แล้วกันว่าอ๋อไอ้นี่มันเคยเป็นอย่างนี้แก้ได้หรือแก้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนี่เป็นเรื่องของเขาแล้วส่วนเราก็สงบเป็น อ๋อดีใจ เรามันก็ใช้ได้ในในบางกรณีมันไม่ใช่ว่าจะไม่ใช้ได้เลยมันใช้ได้บางกรณีการที่บอกว่าไม่ใช่ของเรามันใช้ในลักษณะของการวางใจวางใจเมื่อคนของเราเป็นแบบนั้นแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็วางใจเป็นการได้เพราะนั่นไม่ใช่ของเราคือเป็นส่วนของเขาที่เขาจะต้องเจอเป็นวิบาก ท, ที่เขาต้องได้รับแต่เขาก็เป็นคนของเราโดยภาบ้านหนึ่ง เข า, าไม่ใช่ของของเราเป็นหลักธรรมที่แก้ไขที่ถี่ของเราที่ไม่เขาไปแทรกไม่แทรกเป็นสวนของเขากับแม่กับลูกลูกเราลูกเรายายคนหนึ่งไปหาลูกมาขึ้นห่วงลูกแก่ก็อายุแปดสิบปีแล้วลูกก็หกสิบกว่าแล้วยายยายก็มาครับมาห่วงแต่ว่าลูกเป็นลูกอยู่นี่แหละ เขานักเป็นพ่อคนแล้วเป็นแม่คนแล้วไม่ให้เขาเป็นพ่อเป็นแม่เลยเลยยังให้เขาเป็นลูกของแมกยายอยู่นี่อีกแล้วก็วายอย่างเงี้ยอ้าวคนนี้มันลูกฉันเนี่ยคนพ่อลูกฉันลูกฉันนี่แหละตายไปแล้วแล้วยายจะมาเรียกลูกฉันลูกฉันอย่อย่างงี้อยู่เร้อถ้าตายไปวายมันไม่งั้นมันจะแก้จิตกันไม่ลงเขาก็เป็นพ่อคนแม่คนเขาก็มีลูกมีหลานเขาไปแล้ว ให้เขาทำตัวเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกของเขาต่อไปสิแล้วพ่อยายไปไหนล่ะพ่อยายก็ตายไปแล้วแล้วยายก็เป็นลูกของพ่อหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยถ้าถอพ่อตายไปเนี่ยเรามาห่วงอยู่ว่ายายเนี่ยเป็นลูกเขามันแล้วมาติดตามยายอย่างเงี้ยยายจะพอใจหรือเปล่าโอ้ไม่เอาไม่เอาจะตายก็ตายไปแล้วสิก็มันก็เหมือนกันนั่นแหละ ย, ยายนี่ก็ต้องฝึกใจตั้งแต่ตอนนี้จะไปห่วงอยู่ว่าเป็นลูกเป็นลูก นอนอยู sabes, anyway, allowed, oh, ่บ้านก็ไม่สงบสุขจิตก็ทุกข์คิดถึงแต่เขาของานบนความหลงหลงติดกันนี่นะก็บายไม้หนึ่งกำมืออยู่แค่นี้แหละรู้จักปล่อยวางทำอะไรทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น พอมันมีอะไรตั้งมั่นให้ยึดรู ป, ปธรรมตั้งมั่นให้เราได้ยึดได้ไหมล่ะไม่ได้นา ม, มาธรรมอาการทางจิตตั้งมั่นให้เรายึดได้ไหมล่ะไม่ได้ตั้งมั่นให้ยึดไม่ได้กุศลธรรมตั้งมั่นให้ยึดได้ไหมล่ะไม่ได้ต้องทำํำมาอยู่เรื่อยใช่ไหมกุศลธรรมตั้งมั่นให้ยึดได้ไหมล่ะไม่ได้ใช่ทําแล้วเกิดเป็นผลส่งผล ให้ในภายภาคหน้าเท่านั้นอกุศลและอกุศลไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครดีไม่มีใครเลวมีแต่คนทําดีกับคนทําไม่ดีแต่คนไปประทับตาสิ่งที่ดีว่าคนนี้เป็นคนดีใครประทับตาได้ตลอดชีวิตเราอาจจะเห็นดีเฉพาะตอนนั้นใช่ไหมหรือเราอาจจะเห็นเลวเฉพาะตอนนั้นขณะที่เขาทําดีต่อไปเราเคยเห็นเขาไหมตามดูเขาไหมเราก็ไม่ได้ตามดู เราก็ไปเห็นเฉพาะช่วงที่เขาเลวไอตอนที่เขาทําดีเราไม่ได้ตามเห็นแล้วเรามาเห็นเฉพาะทําทําเลวนั่นว่าไอนี่เลวก่อนเลวสุดท้ายกระจเราไปบอกว่าเลวก็ใจเราเองนั่นแ <Yes. S 1> หละกำหนดความเลวขึ้นมาใช่ไหมล่ะมันมันหลงทุกวันนี้หลมไม่เข้าใจทำไมมาต้เป็นอย่างนี้แล้วบอกไปหาคนดีไปหาจุดที่มีหรอกหาคนทําดีมีไหมมี แต่คนที่ทำดีก็เขาก็ได้ผลดีของเขาใช่ไหมล่ะเขาทำดีมันจะมาเป็นผลดีสำหรับเรามั้ยล่ะไม่เป็นเขเป็นดีของเขาดีของเขาคนดีไม่มีชัว่วไม่มีมีแต่ทำดีทำชัว่วมีแต่คนทำดีช่วใช่คนเดียวกันก็ทำให้ทำดีกป็นชัว่วด้วยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะไม่ ไม่ไปหุนหงิดไม่ไปลาคาญไม่ต้องไปจับผิดความบกพร่องของใครมันไม่ต้องจําเป็นจะไปจับผิดอะไรใครทําดีมันก็เป็นผลดีสําหรับเขาทําเร็วมันมัาเร็วกับเราไมไหรือไม่ไม่มันก็เร็วสําหรับเขาเพราะก็ไ ด, ได้ได้เร็วของเขาเอง oh. เมื่อเขาทําแล้วเขาได้ของเขาเอง <c oughs> เราเข้าไป <c oughs> เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> ไปเสือกกับวิถีของเขาทําไมไนะ มัพูดออกไปอย่างงี้เพวกเขาทําอย่างนั้นจะไปเสือกเอาความเลวของเขามาไว้ในใจตัวเองทํำไมนะบอกเอ๊ะเป็นพระพูดไม่ดีพูดไม่ไพเรอะ ก, ก็ขอเอาไปที่พูดไม่ไพเรอะแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดไม่ไพเรอะเจตนาเพื่อที่จะแสดงธรรม เพราทำมันมีอยู่สองด้านหอาสาด้านกุศลธรรมอกุศลธรรมก็ต้องแสดงด้านอกุศลให้รู้บ้างจะแสดงคำจะแสดงแต่ด้านกุศลอย่างเดียวไม่แสดงด้านอกุศลก็มไม่ไหวเทเราต้องเข้าใจโลกนี้มันมีมีทั้งคนทำดีมีทั้งคนทำไม่ดีทั้งนั้นต้องเข้าใจไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็น <merely S 1> เรื่องปกติข <soda> องโลก <ry> ในแต่ตัวเราเองนะครับบางครั้งก็ทําดีบางครั้งก็ทําไม่ดีความคนยวกันเนี่ยก็เป็นธรรมดาแล้วก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นด้วยท <laughs> ีนี้คนไปยึดมั่นถือมัน่นไวใช่ไหมละ่ะยึดมั่นถือมั่นไว้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่า ท, ทําดีหรือทําไมด่ดีปัญหาอยู่เราไปยึดไว้อุปทาน เ, เขาบอกถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราแล้วเราจะแก้ไขคนยังไงปล่อยให้มันทําเลวไปเลยเหรืออย่างเงี้ยจะแก้ไขยังไงถ้าในสังคมมันก็มีระบบระเบียบอยู่แล้วใช่ถูกก็เนี่ยมันก็มีระบบข้องมันอยู่แล้วทําอย่างนี้ปุ๊บก็ผิดอย่างนี้ก็ต้องได้รับโทษอย่างนี้มันก็มีอยู่แล้วก็ทําไปซิใช่ไหมล่ะก็ทําไป มันก็มีระบบที่จะต้องใช่ไหุกมันก็มีตลกมันก็มีเี<ง>่ยสวรรค์มันก็มีมีไว้สําหรับผู้กระทําพระเทวะทับก็มีที่ไปในสิ่งที่ตัวเองกระทําไว้ในขณะที่เป็นมนุษย์ใช่ไหมก็มีที่ไปสําหรับตัวเองอยู่แต่เมื่อเมื่อไปแล้วสเสรยแล้วใช้แล้วเขาก็มีที่ไปของเขาอีก พ้นน่ในส่วนที่พ้นน่ะกุศลกรรมต่างๆที่รอคอยหลังจากพ้นแล้วก็จะให้ผนปั๊บเป็นพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้านำว่าอัติสาระใช่ไหมหนดนเป็นปัจเจ ก, กับพุทธเจ้านะไม่ธรรมดานะถามว่าพระเทวทัพเลวใช่ไหม ก็ใช่ใช่ใชพระเทวทั์ทก็ทำทาเร็วแล้วก็ได้รับผลเร็วพอพ้นโทษออกมาแล้วก็<อ>ได้รับผลดีจะเป็นถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าก็แสดงว่าสิ่งที่ทำดีไว้ไม่ใช่น้อยนะคะไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยเรือตลอดนะถ้าจะประมาณสุด ข, ขั้วเป็นคนดีก็ดีสุด ข, ขั้วสิ่งที่ทำไม่ดีก็มไม่ดีสุดๆเลยนะคะถึงเสวยแบบ สุดๆองทั้งสองด้านเพราะฉะนั้นมาตรฐานทั้งความดีมันไม่มีแล้วก็มาตรฐานทังความเร็วมันมีมเพราะเป็นอย่างนี้เองพระองค์จึงบอกว่าพ้นแม้กระทั่งความดีให้ได้บุญยะ ป, ป, ป, ป, ป, ป, ป่าปะปะฮีนัาบุคลาบบุคคลบุคคลผู้คนแล้วจากทั้งบุญทั้งฝ่ายบาปบุคคลคนนั้นฮะถึงเรียกเ่าผู้บุคคลอย่างแท้จริง สมมติว่าถ้าเราศรัทธาในการให้ทานแล้วก็ให้ทานใช่ไหมล่ะตั้งศรัทธาไว้ในการให้ทานอะไรก็ตามที่เราได้เห็นการให้ก็ปรีติยินดีใช่ไหมล่ะศรัทธาในการให้ทานพอเห็นคนที่ไม่ให้ทานเป็นยังไงไอ้นี่มึงขี้ตะหนีไอ้นี่มึงขี้เหนียวไปชัญชวนคนนั้นจะให้ไปชิญชวนคนนเขาไม่มีให้ไงมึงไอ้ขี้ตะหนีมึงขี้เหนียวตนเองเนี่ยเป็นเป็นผู้มีศรัทธาในการให้ทานเป็นตำหนิคนอื่นแล้ว เร็วหรือยังเห็นไหมพอศรัทธาในการรักษาศีลพอเห็นคนอื <examples> ่นไม่รักษาศีลชอบชวนคนอื่นรักษาศีลคนอื่นไม่รักษาศีลทําไงเป็นตหนิเขาเร็วหรือยังตัวเดมีสมาธิชวนกันไปทําสมาธิเข้าคอร์สที่ปรัสนาทําเจริญสมาธิคนอื่นไม่ไปชวนแล้วไม่ยอมไปหรือว่าเขาไม่ยอมเข้าวัดฟังธรรม นั่นไหนมาตรฐานความดีมันอยู่ตรงไหนวะถ้าอาารพูดถึงอย่างนี้อกุศลปฏิติอัุสนธรรมเนี่ยเกิดมากกว่าด้านอุศลโอกาสในการเกิดปในแต่คนมากกว่าคือถ้าเราเรายึดว่าเราเรามีอันนี้ไปว่าดีเพราะฉะนั้นพอเราเห็นคนอื่นก็เป็ น, ปนข้อขัดแย้งว่าเขาไม่ดีไม่ดีไม่ดีเนี่ยการรักษาสีมาดี อ, อนิสงค์ของศีลแต่การไปเห็นคนอื่นที่ไม่รักษาศีลเหมือนตนว่าไม่ดีอันนั้นเป็นวิจฉาทิฏฐิก็ได้รับโทษของวิจฉาทิฏฐิแต่บุญก็ยังเป็นบุญบุญที่เกิดรักษาศีลก็ยังมีอใช่แต่โทษคือการเกิดจากความเห็นผิดไปอีกกรณีหนึน่งก็กั้นมรรคผลนิพพานแต่ไม่กั้นสวสรรค์เขาเรียกว่า ป, ปิดนิพพานแต่ไม่ปิดสวรรค์ แต่ไม่ไปนําไปสู่อบายภูมิพอทำกุศลธรรมกุศลธรรมยั ง, งร้องมรกอยทีนี้พอพู้เจริญพิปัสน า, าไปถึงจุดหลุดพ้นปั๊ดีคนนี้ทำไมดีก็เข้าทําดีก็ได้ดีเพรคะนั้นมันจะไม่ดีก็มันทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีจจให้ว่ายังไงมันเป็นเหตุปัจจัย เ, เราเราไปเปลี่ยนแปลง ก, ก็ไม่ได้ก็ เ, เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้น ถามว่าผู้ได้เจ้าเปลี่ยนแปลงคนได้ยังไงผู้ย้าเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้บังคับให้เขาเปลี่ยนแต่พระองค์ทรงสอนและอธิบายแจกแกงเหตุและผลคนที่ทั้งดีและไม่ดีสนใจในเหตุผลนี้จิมยอมรับเช่นผู้เย่ำ ไ, ไปสอนโจรพวกพวกเธอเป็นโจรอย่าอย่าไ ป, ไปเป็นโจรมันไม่ดีผู้จ้าสอนอย่างนี้ไหมไม่สอนพว<อ>กบอกว่าถ้าเป็นโจร น, นะ โจรก็ควรจะมีหลักการของโจรถ้าเธอจะป้นนะเวลาป้นก็อย่าเอาทรัพย์เขาไปหมดเห็นไหมสอนวิธีป้นด้วยอย่าฆ่าเด็กอย่าลับพาเด็กอย่าลับพาสตรีอย่าฆ่าเจ้าทรัพย์เพราะถ้าเธอทําอย่างนั้นทางการก็จะตามจับพวกเธออย่าป้นในถิ่นที่ไม่ใช่ถิ่นของตนต้องป้นในถิ่นของตนเท่านั้นไปอยู่นอกเขตไปทับเส้นทางเขาเดี๋ยวก็เจอโจรกับโจร เ, เจอกันเป็นยังไงล่ะ ก็ตายกันไปข้างนึงพวกเธอจะถึงความชิพหายไปบอดผู้เจ้าสอนหลักการของโจรอย่างดีเลยนะเหมือนอย่างก็พระองค์เป็นมหาโจรมาก่อนนะถามว่าเคยเป็นไม่เคยในอดีตชาติผู้เจ้าไม่ได้บอกว่ายาเป็นโจรมันไม่ดีเวลาเราสอนคนใช่ไหมมึงทำอันนั้นไม่ดีมึงทำอันนั้นไม่ดีใช่ไหมไอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ดีเรื่องหรอกมันอยาจะเสียกับเราคืออย่าเล่นเกมมันไม่ดีอาตมานี่อยู่กับเด็กนี่นะ เล่นเกมไหมเล่นเกมกับมันเล่นเกมกับมันจนแย่งมันเล่นเนาะเห็นไหมเล่นเกมอย่างเงี้ยเร่อ ม, มีดีเราก็เริ่มสอนมันอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างงี้แย่ ง, ง, ยงมันเล่นเนาะก็สอนอย่างงั้นไปอยู่ก็ <c oughs> จะพาคนเลิกรบลีสูบบุหรี่กับเขาอาตามาเนี่ยอ่ะจะพาสูบด้วยกันแล้วจะพาเลิกด้วยกัน เราเลิกให้เราเข้าเห็นไงโอ้โหบอาจารย์เลิกไอ้พวกนี้ละอายแล้วทีนี้เริ่มเลืกไอ้คนที่เลื่ได้ก็มีแอบสูบอยู่ต่อไปก็มีก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นธรรมดามันก็ดีกว่าไปแบบมึงอย่าสูบมึงอย่าสูบใช่ไหมอย่างน้อยเราทำตัวให้เขาได้เห็นแล้วความเกงขามันจะมากขึ้นไงความเคารพยาเกงจะมีมากขึ้นส่วนจะเลื่ได้ไม่ขึ้นอยู่กับตัวเขาแลขึ้นอยู่กับตัวเขาไม่ใช่ตัวเราแล้วนะัวนี้เราต้องใช้ให้เป็นเป็นเหตุใช่ ร้านเขใช้วิธีการเหมือนกันเวลาสอนคนโ <c oughs> วย้ย <c oughs> น้ำพรอนมาที่หน่อย <c oughs> น, อน้ำร้อนน้ำร้อนเย็่นเยินเพราะฉะนั้น <c oughs> การเปลี่ยนแปลงคนในสังคม <c oughs> ไม่ใช่เพืะะ่บังคับคนให้เป็นคนดี แต่สอนให้ลูกเขารู้จักอะไรคือความดีแล้วความดีนั้นทำแล้วเป็นผลดีต่อเขาอย่างไรไม่ใช่บอกว่าให้ทำดีทาดีทาดีโดยที่เขาไม่รู้เหตุผลในการทำดีก็ไม่ได้เพราะบุคคลที่หลงติดในความดีถูกรอดลวงได้ง่ายคือเขาจะเอาความดีมารอดลวงมี เราเราถูกรอดลวงด้วยความดีเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเอาบุญมารอดลวงเต้ไปหมดมันดีไหมดีหรือไปบุญน่ะแต่พอถูกรอดลวงไปแล้วเป็นยังไงไม่ดีไถูกรอดลวงรอดลวงให้ทําบุญเดือดร้อนค่ะเดือดร้อนฟังเดือดร้อเดือดร้อนยังไงไปทำบุญบางที่บางคนไม่หมดตัวทํายังไงทําบุญให้หมดตัว มีเท่าไหร่ยกให้ห่อยนันล้วนล่อลวงเห็นไหมเราต้องให้ปัญญากับคนให้มากทุกวันนี้คนขาดปัญญาเยอะพอคนขาดปัญญาเยอะมันก็เลยมีกระแสของความร่อลวงเยอะพราะคนไม่รู้หลักที่แท้จริงแล้วกระแสของความรอดลวงก็ร่อลวงได้เฉพาะคนที่ขาดปัญญาหรือว่าปัญญาอ่อนนั่นเอง ก็อรอลวงไปก็ติดยึดอยู่กับการที่เขาลอลวงให้ติดอยู่แล้วก็หลงวนอยู่อย่า น, นัเข้าใจว่าดีแต่วิธีการอย่างนั้นลอลวงคนมีปัญญาไม่ได้เลยมันลอลวงไม่ได้เพราะคนที่เขามีปัญญาเขารู้หลักรู้เห็นรู้ผลว่าอะไรเป็นยังไงเมื่อลอลวงไม่ได้ก็ได้แต่สังเวชบุคคลที่ลอลวงกันอยู่ว่าลอลวงกันไปเพื่ออะไร เราก็ได้แสดงแต่ทัศนะทางพุทธศาสนาที่ถูกต้องขึ้นมาว่าทัศนพุทธศาสนาเป็นอย่างไรสอนให้คนได้รู้บาคนก็บอกแล้ว ร, รู้ได้งไงว่าลักษณะของพุทธศาสนาที่แท้จริงเป็นอย่างไรรู้ได้ยังไง ร, รู้มาจากไหนเราก็บอกหลักคำํำสอนหลักคําสอนมี 2,500 กว่าปีแล้วปิดเพียนได้ก็มีเคยได้ยินได้ฟังจากผู้ได้เจ้ามาหรือเปล่าว่ามันเกิดไม่ทันเนาะมีใครเกิดทันแต่เรายังมีหลักเทียบอ ย, อยู่ใช่ไหมล่ะ อย่น้อยเรายังมีหลักเทียบอยู่มันแตกต่างจากพวบใบไม้นอกกํามือไม่มีหลักเทียบเลยเทียบเราจะเทียบตรงไหนว่านอกกํามือนั่นที่พระองค์ไม่สอนนะะั่นมันถูกมันไม่ถูกยังไงเราที่เราอยู่ในในกำมืออยู่เมือว่ายังอยู่ในหลักของศาสนาอยู่เรายังเทียบกับใบไม้หนึ่งกํามือนี้อยู่ตลอดเราไม่อยู่นอกกํามือเราก็แล้ ก, แลก็อยู่ในหลักเกณฑ์ของหนึ่งกํามือนี้ถึงแม้ บไมหนึ่งกำมือจะผ่านช่วงเวลามาถึง 2,560 กว่าปีกึ่งพุทธการแล้วก็ตามแต่เมื่อพี่นาด้วยเหตุและผลต้องเป็นผู้หนักในเหตุและผลนะถึงจะคุยกันได้เมื่อพี่ณาด้วยเหตุและผลแล้วหนึ่งกำมือนี้เพียงพอแล้วใช่ไหมมันไม่ต้องไปหาหนอกกำมือมาใส่อีกแล้วมันเพียงพอแล้วเพราะนั้นไอ้นอกกำมือไม่ต้องมาพูด ทีนี้ไอ้นอกกำมือพยายามที่จะเชื่อมโยงเข้ามาสู่ในในกำมือนี้ว่าที่พงศ์ไม่ได้สอนหนึ่งกำมือนั้นในในหนึ่งใบไม้หนึ่งกำมือที่อยู่นอกกำมือเนี่ยที่พง์ไม่ได้สอนเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันก็อยู่ยังอยู่ในกำมือนี่แหละแต่พงศ์ไปสอนเฉยๆก็ไปไปยงว่าว่าที่พง์ทรงสอนหนึ่งกำมือคือเขาก็จะเชื่อมโยงจากนอกกำมือเข้ามาในกำมือว่าพ่อมาจากตรงนี้ไงไลายไปยัสติปัฏฐานสิ หรือยังบังแต่กเขาก็ไล่ไปได้ mm. เขาก็เอา mm. เอ า, เ อ, าองค์ธรรมที่อยู่ในกํามือไปอิงอยู่นอกกํามือ mm. ก็ทําไมไม่สอนหนึ่งกำมือให้มันแล้วแไปเลย mm. ไปเอา <c oughs> นอกกํามือมาอิงกันอยู่ทําไม <c oughs> เอาเฉพาะในหนึ่มือเพราะเขคัดสรรมาให้แล้วใช่แล้วไปสร้างความงงงวยให้กับเรื่องที่นอกกํามือแล้วมาอิงเข้าไปยกตัวเองขึ้นจากหลักคำสอนของพุทธเจ้าพคนนี้เขาเรียกว่าแอบอ้าง ไม่ใช่อ้างอิงนะอ้างอิงนีคือมีแหล่งอ้างอิงจากในกํามือจริงๆและอยู่ปฏิบัติอยู่ในกำมือจริงๆพูดถึงสิ่งที่อยู่ในกํามือจริงๆอ้างอิงได้แต่การที่ไปปฏิบัตินอกกํามือแล้วมาอิงอยู่กับสิ่งที่อยู่ในกํามือคือในหลักขับสอนอันนี้เขาเรียกว่าแอบอ้างขึ้นมาว่าผู้เจ้าสอนอย่างนั้นอย่างนั้นอันนั้นอะ่ะมันคือเรื่อง พูดไปเดี๋ยวก็หนักอีกมันกระเทือนเป็นพระเดี๋ยวว่าพูดเรื่องอย่างนี้แสดงคำว่าต้องแสดงในส่วนของอภุสุรธรรมปั้งจะได้รู้เนาะแต่เฉพาะถ้าจารย์นะเฉพาะหนึ่งกำมือนี่ก็ออกมาเป็นแปดหมื่สี่พันระธรรมขันธ์แปดหมื่สี่พันพระธรรมขันธ์รวมลงอยู่ที่กายกับใจอันนี้คือหนึ่งํามือใช่นี่คือหนึ่งกำมือ แปดหมื่นก็คือพระองค์สอนอัธยาศัยแต่ละคนไม่เหมือนกันไงไสอนปัจจวบันทีทั้งห้าอันนั้นก็คืออีกแบบหนึง่งพ่อวิถีของปัจจุบันยี่ห้าต้องสอนแบบนั้นไปสอนชาดินสามพี่น้องก็ต้องสอนอีกแบบหนึง่งแต่ในแต่ละแบบที่สอนรวมลงอยู่ในอริยสัจสี่เพราะอริยสัจสีเป็นเป็นหลักใหญ่ที่สุด ในีรยมันด่าทามทั้งหมดแล้วอริยสัจสี่ก็ใช้ในการกําหนดรูป ก, กายกับจิตเท่านั้นนะเท่านั้นแหะสติปัฏฐานสีก็ไปจากอริยสัจสีสติปัฏฐานสียังเป็นทางดําเนินอยู่นะ <c oughs> เป็นเป็นระทางดาเนินผิดพลาดได้ไหมผิดพลาดได้อริยสัจสีเท่านั้นที่ไม่ผิด เา อ, อริยสัจสี่กำหนดไว้ว่าเป็นสัจจ์ชัดแต่สติปัฏฐานสีสามารถสามารถแนบยิงอยู่กับโลกียธรรมที่นอกรีดได้สติปัฏฐานสี่ปฏิบัติแบบนอกรีดได้ยังแต่อริยสัจสีปฏิบัติแบบนอกรีดไม่ได้มันไม่ได้ โอ้มันแยบคล้ายมากนะคำสอนพอ ด, ดีมีคนอิตาลีมาวันก่อนเนาะประเทศอิตาลี<ม>คนไทยเนี่ยไหนก็อยู่อิตาลีมีสามีเป็นคนอิตาลี<ม>ก็เลยถามเขาว่าพระพุทธศาสนาในอิตาลีเนี่ย พระเดินออกวินาบาทและคนอิตาลีมาใส่บาทเป็นจริงตามที่เขาแชร์กั<ห>นอยู่ในโลกออนไลน์หรือเปล่าเข <c oughs> าบอกว่าใช่ทางประเทศอิตาลีบรรจุพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนาของศาสนาอื่นที่คนอิตาลีนับถือก <c oughs> ็เลยถามเหตุผลว่าทำไมคนถึงเขายอมรับให้มีพุทธศาสนาในประเทศของเขาเ <c oughs> ขาก็บอกว่าศาสนาอื่นมองว่าพุทธศาสนา เป็นศาสนาของคนดีสอนให้คนทำดีสอนให้คนประพฤติดีตามหลักคำสอนแล้วในหลักคำสอนนั้นไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเลยเขาจึงยอมรับเข้าไปคนอิตาลีคนนอกศาสนานั no so ้นแหละมาใส่บากแต่ไม่ได้คำว่าคำว่านับถือศาสนาไม่ใช่ว่าอ่าใช่เข้ามาศรัทธาในพระตระนตยอย่างมั่นคงอะไรไม่ใช่นะคือเห็นว่าเป็นคนดีคนหนึ่งนะก็เลยใส่บากเขาว่าอย่างนั้น แต่ในประเภทที่เข้ามาแบบเต็มตัวก็คงจะมีเขาออกมาวันนั้นไงกับราชันก็เลยได้ทราบอ๋อความเป็นพุทธศาสนาที่เผยแข่ไปในอิตาลีเขารับเข้าไปเพราะเขามองเห็นว่าเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งบบอันนั้นก็ยังติดอยู่ในความดีอยู่ การมองศาสนาในชั้นของการเป็นศาสนาของความดีและติดอยู่ในความดีนี้นยังถือว่ามองผิดอยู่นะผิดพลาดเพราะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาแค่สอนความดีสอนทิ้งดีไยใ ห, ห้หลุดพ้นอ่าหลุดพ้นจากความดีมั้ง น, นะนั่นคือนั่นคื อ, อความจริงเพราะความจริงมันไม่ใช่ดีและไม่ใช่ไม่ดีความจริงคือความจริงจะดีหรือไม่ดีเป็นเรื่องของคนที่เขาไปสัมผัสกับความจริงแล้ว ไปเป็นดีหรือเป็นไม่ดีขึ้นมาะแต่ในสัตว์จักรมันไม่มีดีหรือมีไม่ดีแต่เมื่อคนเข้าไปสัมผัสกับสัต์จักรมันก็เลยเกิดดีหรือไม่ดีตามการปรุงแต่งของคนขึ้นคนไปปรุงแต่งดีขึ้นเพราพูดง่ายว่าถูกใจตัวเองก็ดีไม่ถูกใจตัวเองก็มีดีกว่าแค่นั้นเองมันเป็นแค่นี้แต่โดยสัตจักรมันอินดีไม่มีไม่มีเหมือนกับใครที่ไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้ ที่บอกว่าอะไรวะต้นไม้ต้นเบลเลอร์เลยแต่ลูกเล็กๆเองแอปเปิ้ลลูกเล็กๆเองไอไอต้นไม้ไอไอเขือไม้เขือเล็กๆแต่มีลูกใหญ่ๆแบบต้นฟักต้นแฟงต้นอะไรนะ่ะอะไรหมักหมักน้ำแก้วหมักน้ำเตาไอเขือเล็กๆแต่ทำใลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต็งโมอะไรประเภทนี้นะ้น ไอ้ ต, นตอน้ตนปลูกต้นบอลเลยเป็นลูกเล็กๆธรรมชาตินี้สั่งออกมาไม่ไม่เหมาะสมกันเลยไปกำหนดไม้ความพอใจไม่พอใจพ อ, พ อ, พอ ล, ล, ลูกลูกไม้หล่นใส่หัวโป๊กลงมาเออธรรมชาตินี้ก็ดีนะถ้ามั น, นต้นใหญ่แล้วมันลูกใหญ่แล้วหล่นใส่หัวกูเห็นไหมกูจะเจอหนักกว่านี่ยีไ่ไ คนเรามันมันเป็นกำหนดหมายต่างๆนานาขึ้นมาเองโดยธรรมชาติก็เป็นพวกมันอย่างนั้นเราไม่เข้าใจธรรมชาติที่มันเป็นพวกมันอย่างนั้นใช่ต้นใหญ่ทําลูกใหญ่ล้วรูกใหญ่เลสลบเหมือนแท้ธรรมชาติสร้างมาสูงโตไปคือไปเข้าใจว่าต้นไม้ใหญ่ต้องมีลูกใหญ่ทีอย่างเงี้ยไอ้ต้นไม้เล็กทำไมไอเ้เขือเล็กๆเ่านิ้วยข้อย่าไมมันรูกใหญ่ยังธรรมชาตินี่มีสมดุลไงไปสร้างไปสร้างความคิดขึ้นมาเอง นอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้พอมันลกไม้มันหล่นนะฮะเนี่ ย, อยเออธรรมชาติเนี่ย<ม>สร้างมาถูกต้องเลงยฮ่าฮ่ <S <S <ต>าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮราฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮหาฮ่าฮ่าฮ่า ง, าาางา่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่ า, า่าม่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าาฮ่าา่าฮ่า่าาาา่่ มันดับที่ตัวเรามันเราไปไปวุ่นวุ้นวายทำไมเยอะแยะมากมายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ดับที่ตัวเราก็พอแล้วจบง่ายๆนะวิธีการของผู้ได้เจ้าไม่ได้ยุ่งยากอะไรเราไม่ได้ซับซ้อนเราเราไม่เข้าใจต่างหามันเลยเกิดความซับซ้อนขึ้น ตอนนี้ว่าเรายาวรับหฎกติกา น, นี้ได้แต่พอเราไปเจอคนใหม่ซึ่งมีการกระทำอีกแบบนึงค่ะก็ต้องไปคิดในเรื่องของการายอมรับเขาอีกทีหนึ่งแบบนบบแ เกิดใหม่อันนั้นใช้เฉพาะขณะนั้นพุทธเจ้าพุทธศาสนาสอนขณะอย่างที่เหมือนกันเลยอันนี้ทําดีได้ดีขนขณะต่อไปเขาทําไม่ดี เ, เขาก็ต้องได้ไม่ดีดแต่ขณะไม่เหมือนกันพราะมันไม่ได้เที่ยงอยู่ตลอดไม่ได้คงที่ตลอดทําไมเราจะต้องกําหนดรู้แล้วกําหนดรู้อีกทําแล้วทําอีกเพราะมันไม่ได้ทําแล้วครั้งเดียวแล้วมันรู้เลยถ้าทําเดียวครั้งเดียวแล้วมันรู้เลยเนี่ย มันก็คงไม่ยุ่งยากมาสอนกันให้มากมายขนาดนี้หรอกแต่มันต้องรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีก ร, ร, รู้ไปจนความรู้ติดต่อเนื่องกันไปเกิดเป็นความรู้ที่แก่กล้าขึ้นกล้าขึ้นกล้าขึ้นกล้าขึ้ น, นจนความรู้นี้กางกัน้นพวกความหลงผิดได้ทั้งหมดแล้วเกิดกระแสแห่งการตัดทะลุเข้าไปถึงสภาพของอสังขตธรรมท่ามที่ไม่มีการปรุงแต่ความรู้นี้ก็ดับตัวขึ้นมนเพราะอสังขตะจะดับดับแม้กระทั่งความรู้ ใช่เรื่องนมันไปเจออีกก็น่าจะอน่าจะใช้ได้<น>จิตเราน่าจะเป็นปกติราบเรียบเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมามันคนลักคณะเพราะฉะนั้นจะให้ดีเราต้องเจอบ่อยๆก็บอกแล้วว่าความดีมันไม่มีอยู่จริงคนดีไม่มีอยู่จริงมีอยู่แล้วกันเราจะทําดีต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าเราจะกําหนดรู้ต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าทําได้ต่อไปทุกครั้งหรือเปล่าก็แค่เจอบ่อยๆเข้ามาใช่ ผู้เจ้าบอกต้องทําให้เป็นประดุจยานยานเลยนะยานที่เราจะขับขี่ไปเนี่ยไปไหนไปพระนิพพานไปถึงความพ้นทุกข์ส่งให้เราไปถึงพระนิพพานเราต้องอาศัยยานพวกเนี้ยต้องสร้างขึ้นมาเหมือนกับสร้างยานเหมือนกับสร้างรถคันหนึ่งได้ล้อได้ตัวถังได้เครื่องยนต์ได้อะไรทุกอย่างที่จะขับไปแบบสบายสบาย น, นะ หรือจะรอตีตัวอย่างเดียวก็ได้ครัก oh, ็ได้เพราะนการพิจารณาสำคัญมากสำคัญสาคัญมากๆเลยการปฏิบัติไม่ผ่านการพิจารณาไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้จะมาให้อะไรเอาไฟธาตุไปเผากิเลสตง พูดแล้วพูดตามกระแสโซเชียลได้กินมาเกี่ยวกับเอาไฟธาพุใเขาเกินเดี๋ยว <c oughs> เอาหลักคำสอนผู้เจ้าไปอิกพวกนี้นอกกำมือทนะั้งนั้นพวกนี้แอบอ่ะบางคนก็บอกอาจารย์ฟังข้อมูลด้านเดียวแล้ววิจารณ์จะด้านไหนก็ตาม จะกี่ด้านก็ตามอ่ะมันมันรู้อยู่นะมันรู้มันพอรู้รู้อยู่คนที่คนที่เข้าไปถึงมามันมองออกว่าอะไรเป็นอะไรนะมันมันไม่ใช่ว่าไปวิจารณ์กันพระพุทธเจ้าเคยวิจารณ์เนาะแต่ละแต่ละสำนักแต่ละการปฏิบัติที่พงศ์สมวิจารย ในในครูทั้ง6นี่ยพวมาวิจาร์ให้พิสูจฟังเลยนะปฏิบัติตามแบบนี้แล้วจะได้แบบนี้ปฏิบัติตามแบบนี้แล้วจะได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้พิพิสูจทั้งหลายศาสดานี้สอนอย่างนี้เมื่อเขาล่าชีวิตไปเขาจะเกิดเป็นเสือโครกสาวกของเขาจะเกิดเป็นเก้งบ้างความบ้างพูดจาว่าอย่างนั้นนะเพราะอํานาจวิชาธิปติที่ศาสดานี้สอนเมื่อศาสดานี้สอนอย่างนี้แล้วไปเกิดเป็นเสือโครกสาวกไปเกิดเป็นเก้งบ้างกวางบ้าง ล่ากัน<ม>คือมองเป็นเหยื่อเพราะนั้นาศาสดาแต่ละาศาสดาสอนอย่างเงี้ยมองเห็นสาวกเป็นเหยื่อของตนให้เขามาเขาลบนับถือสมัยนี้ เ, เขาเรียกว่าขณะปัจจุบันนี้เขารบนับถือกันจริงเมื่อล่าชีวิตไปแล้วไปเกิดเป็นเดรัจฉาน<ม>ล่ากันอย่างเดียวไม่ได้เขารบกันแหมเหมือนกับตอนนี้พุจจารว่าเัินเลยนะวิจารเลยนะพองทรงทราบด้วยสัพพัญวิทยานสอนอย่างนี้าศาสดานี้ไปเกิดเป็นสิงโตสาวกไปเกิดเป็น อะไรไปตันานาปล่ายป่าบ้างไปเกิดเป็นหนูบ้างไปเกิดเป็นกระต่ายบ้างเป็นอาหารของสิงโตเห็นไหมหาปฏิบัติปฏิบัติตามนี้แต่ในลัทธิที่พระพุทธเจ้าทรงวิจารณ์ว่าอันตรายที่สุดก็คืออาชิพตเกษกัมพลลัลทธินี้เป็นลัทธิที่อุบาทมากพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้โหเป็นประดุจดังไซดักล่อมนุษย์คนก็หลังไหลเข้าไปหาอาชิพต เกศากำพลเขาบอกว่าร่างกายเราประกอบด้วยธาตุสี่<ม>ดูเหมือนดีนั่น <c oughs> เพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามประหารชีวิตของบุคคลผู้นี้ไม่ได้ชื่อว่าเป็นการฆ่าคน <c oughs> เป็นเพียงแค่การสอดดาบเข้าไปในดินน้ำไฟลมเ <c oughs> ท่านั้น <c oughs> ไม่มีกรมติดตัว <c oughs> มันก็แค่ธาตุสีอะ่ะใช่ไหมละ่ะเอาดาบมาแทง <c oughs> ก็แค่แทงเข้าไปในดินน้ำไฟลมไม่ได้เป็นการฆ่าใคร บาปไม่เกิดตายไปแล้วไม่มีใครรับกรรมตู้เหมือนดีนะ <c oughs> แต่ที่พูณเจ้าบอกว่าโผนอันตรายมากเลยแต่มีคนชอบใจหลักคำสอนนี้เชื่อไหมมีคนศรัทธามีความเลื่อมใสมีการปฏิบัติมีการโอ้โหอชิตาเกศกคมพลีนสุดยอดแห่งศาสน า, าเป็นผู้ลุดพลแล้วไม่มีกี่เลย สัญชัยเวลาทมุตินี้ยังพี่เจ้ายัางบอกว่ายังเขาเข า, เขายังเขายังเชื่อหลักความจริงที่วงทรงสอนอยู่แต่เพียงแต่ว่าที่ติของเขาเป็นเจ้าหมูเจ้าคณะเนียเขาไม่สามารถมายอมเป็นลูกศิษย์ได้เขาก็เลยต้องยึดถือที่ตีของเขาเพื่อที่จะดักรอคนคนที่ไม่ชนดไปเป็นสาวกพี่เจ้าทราบหมดแล้วว่าคติที่ไปของาศาสดาแต่ละาศาสดาทั้งหกเนี่ยจะไปสู่ที่ไหน ผู้ใหอาชีตาเกศกาพพลผู้ใหญ่บอกว่าจะไปสู่อาบายภูมินรกอีกยาวนะสาวกบก็ไปอยู่กันด้วยกันหมดอีกยาวนาะนไม่ธมรรมดานะเรื่องของการปฏิบัตินี้ไม่ใช่จะตามกระแสข่านิยมกันขึ้นมาแบบจะบรรลุอรหันต์เป็นคารวัตแล้วไม่ตายคารวัตบรรลุอรหันต์แล้วไม่มีใครตาย S 1> <S 1> <S เห็นไหมกลายเป็นเป็นเรื่องของนอกกรมือไปแล้วเพราะในกรมือบอกไว้ว่าหากไม่บวชจะต้องป ร, ริถนิพานเท่ <S <S <S <S านั้นในกรมือคือพุทธสัตว์พุทธเจ้าตัดไว้อย่างนี้ตัดไว้คนแรกคือภาคยาศาคุรบุตร ท, ท่านเศรษฐีจะให้บุตรของท่านบวชภายในวันนี้ไหมหาท่านมาให้บวชในวันนี้บุตรของท่านจักป ร, ริถนิพานคือตายนั่นแหละพูดง่าย บุตรของข้าพงควรบวชพระเจ้าข่าควรบรรพชาพระเจ้าข่าแน่เห็นไหมก็มีอยู่แค่เนี้ในกํามือเก่าวไว้อย่างนี้แต่นอกกํามือบอกว่าชาวบ้านเป็นอรหันต์แล้วบรรลุแล้วไม่ตายยืนยันแล้วว่าไม่ตายเพราะตัวเองบรรลุแล้วไงไม่ตายไงเอาตัวเองมาเป็นตัวยืนยันไม่เอาบุญเจ้ามาเป็นเครื่องยืนยันไม่เอาในกํามือคือในหลักคําสอนของพระศาสนามาเป็นเครื่องยืนยัน พูดแล้วมันเดือดแล้วนั่นเองไอพวกนอกกำมือนะเขาบรรลุจริงแต่ไม่ได้บรรลุในหลักคำสอนนี้เป็นวิชาวิมุตตไม่บรรลุตามหลักคำสอนไม่ได้รับรรลุตามลำดับของทางพุทธศาสนาตามหลักของในกำมือนี้เขาบรรลุนอกกำมือไงเพราะเขาอยู่นอกกำมือมาตลอดเข้าใจ ไม่ใช่ในแนวทางของพุทธองค์ใช่ไม่ด้อยู่ในศาสนาบรรลุนอกพุทธศาสนานั้นแหะแต่เอาหลักคาสอนพุทธศาสนาไปอิงอันนี้เขาเรียกว่าแอบอ้างเข้าไปในลัที่ของตนเข้าไปนึกบอกว่าเป็นรัที่ก่อตั้งขึ้นมาอยู่นอกกำมือก็เป็นลทัที่ถ้าอยู่ในรัฐที่ก็เป็นศาสนาไปก็เป็นศาสตรพุทธศาสนาของเราเองด้วยกันเ น, นี่ยก็จะ ก็ตั้งตนเป็นผู้กล่าวสอนแล้วเป็นอาจารย์แล้วก็ล่าลูกศิษย์แล้ทีนี้ต้องปฏิบัติตามตนเองเท่านั้นปฏิบัติตามคนอย่างอื่นไม่ได้ต้องปฏิบัติตามตัวเองเท่านั้นห น, น, นึ่นนงแบบรรลุต้องใช้วิธีการของตัวเองเท่านั้นรวดเร็วอะไรเขาเรียกว่าหนึ่งบรรลุแบบรวดเร็วสองขุดลากถอนโคนได้สปฏิบัติตแบบทางลัดเออลัดตัดตรงไม่ต้องยุ่งยากไอ้คนที่ เคยปฏิบัติแบบลุ้งย่ากมานานก็เข้าทางกูเลยกูขี้เกียจมานานแล้วก <c oughs> ูอยากจะไปแบบตัดตรงกูอยากจะไปแบบลาดกูอยากจะไปแบบ <c oughs> โผลลาดก <c oughs> ่องกูหามาทางมานานแล้วพอตรงกับถึงตัวเองคิดไว้ปั๊บมาตักกัดเขาเรียกว่าอะไรมามาตักกัดเข้ากับการคาดคณีของตนเข้ากับความเห็นของตนไปเลยได้ดิเขาเรียก ว, ว่ากานรละมาสูสีบ์ที่เกิดตามถือตามการกลับที่เข้ากับความเห็นของตัวเอง เต็มไปหมดเลยภพเหตเนี่ยเต็มหมดเลยทีนี้ก็ถ้าจะถามว่าคารวาตบอลลูทำเป็นอรหันต์แล้วจะต้องตายจริงหรือเปล่ายืนยันว่าจริงบอลลูอรหันต์เท่านั้นนะสกัาคารมีอานาคารมีนี่ยังยังเป็นไปได้อยู่แต่อรหันต์เท่านั้นที่บรรลุแล้วคารวาตตายแน่นอนก็จะเป็นเหตุผลถามขึ้นมาบอกว่า และจะตายได้ยังไงคุณธรรมถึงขั้นอัาหันจะทําให้คนตายอยู่เหลยคุณธรรมของความเป็นอัลาหันไม่ได้ทําให้ใครตายแต่เพศแห่งการรองรับของความเป็นอรลาหันนั้นเพศนั้นไม่สมควรเพศของคารวาสไม่สมควรเพราะเพศของคารวาสเลวเลวกว่าที่อัลหันต่อผลอรหันต่อผลจะทรงอยู่จะตั้งอยู่ในเพศนะั้นทรงอยู่ไม่ได้ เพศคารวาสนี่เลวมากเลยนะเข้าใจไหมภิษุทําเร็วแค่ไหนก็ตามแต่โดยเพศแล้วจึงถือว่าสูงส่งผู้เจ้าบอกว่าอนาคตการข้างหน้าจะมีภิกษุที่ประพฤตินอกหลักธรรมหลักวินัยอาศัยการงานในการเลี้ยงชีพมีบุตรและภรรยาแต่จะมีเครื่องหมายคือผ้าเหลือเนี่ยผาดคอนั่นหมายถึงว่า รูปแบบของศาสนาในจะเป็นวัดวาอารามจะไม่มีจะมีแต่ภิกษุที่คลองเรือนมีบุตรและภรรยาทําการงานอยู่ทีนี้เมื่อทําการงานผ้าเหลืองอย่างเนี้ยจะมาคุมอย่างเนี้ยทำการงานมันก็ไม่ถนัดก็เลยได้แค่ผ้นนาไปผ้าดไปเป็นสัญลักษณ์หรือผูกเอวมัดไว้เหมือนผูกผ้าขาวม้าเนี่ยก็ทําการงานตัวเองไปทําไรไถนาไปบุคคลผู้ปรารถนาจะทําบุญโดยปาลบสงกับภิกษุอย่างนั้น ก็ได้ผู้าวบานั้นนะมีบุญหาประมาณไม่ได้เห็นไหมแต่ไม่ได้บอกว่าต้องไปทำบุญกับชาวบ้านธรรมดาเพศเห็นไหมเพศความเป็นเพศสูงส่งมากแม้ภิกษ hey! mm ุน hmm. ั้นจะเลวซามขนาดนั้นแต่ความเป็นเพศที่เขาทรงเพศไว้อยู่ยังทรงคุณค่าให้กับเขาอยู่ไม่ธรรมดาเพศเพราะคารวาสมันเลวโดยเพศอยู่แล้วคารวาสบรรลุอรหันต แต่โดยเพศนั้นยังเร็วอยู่แต่ความเป็นอราหันต์นั้นคือไม่ต้องพูดถึงมันอยู่เนื้อสมมุติไม่อยู่ภ า, ภาวะตายสมมุติทีนี้บอกว่าคาราวาตบรรลุธรรมเป็นอราหันต์ไม่ตายเท่ากับเอาความเป็นสมมุติไปยืนยันความเป็นวิมุตติมันพลละเลื่องเลยวิมุตติธรรมนั้นเอาเพศอย่างเงี้ย ไ, ไปเทียบไม่ได้ ไปยืนยันความเป็นอรหันต์ไม่ได้นะอันนี้คือทัศนคของอาตมาที่อยู่ในกํา ม, มือที่พวงทรงตัดสอนยังอยู่ในกำ ม, มือไม่ได้เอานอกกำ ม, มือมาสอนนั่นี่งคือพูดนี้ไม่ได้พูดอยู่นอกกํา ม, มือ น, นันเอยังอยู่ในกํา ม, มืออยู่กํา ม, มือของพู้เจ้าใบมือเดียวเนี่ยกำ ม, มือเดียวนี่ยนะไม่อยู่ น, นอกกำ ม, มือแต่สิ่งที่พูดเราไปอาจจะผิดก็ได้ แต่บอกว่าสิ่งที่พูดออกไปนี้ไม่ได้อยู่นอกกํามือเด็ดขาดยังอยู่ในหลักคําสอนที่พระองค์ทรงตรัสตัดสอนไว้มันก็ยังดีกว่าคนที่พูดอยู่นอกกำมือโดยที่ไม่มีหลักคําสอนพุทธเจ้าไว้อิงเลยว่าเอามาจากไหนเขาบอกเอามาจากนอกกํามือพระเจ้าไม่ได้ตัดไว้ก็ไม่มีนะสิงั้นก็อย่ามากิงอยู่ในกํามือไปเป็นเครื่องมือของตนเองในการที่สอนสาวกตัวเองที่มาอิงอยู่ในกํามือทำไมทําไมไม่สอนนอกกํามือไปให้หมดเลย แล้วบอกตัวเองว่าตนเองคือนอกกรรมือคือคำว่านอกกรรมือคือนอกหละกคำสอนก็สอนสาวว่าตัวเองไปว่าตนเองสอนสิ่งที่อยู่นอกคำสอนไม่อยู่ในหลักคำสอนอย่าเอาหลักคำสอนไปสอนก็สอนนอกกรรมือไปเลยแล้วตัวเองก็เป็นอรหันต์นอกกรรมือไปก็ให้ลูกศิษย์ของตนเองนั้นเคารพนับถือตนเองในฐานะของบุคคลผู้ปฏิบัตินอกกรรมือไปแล้วอย่าอ้างอิงอยู่ในพุทธศาสนาด้วยนะอย่าอ้างอิงนะห้ามอ้างอิงเด็ดขาดพ่อพุทธโยาไม่ได้สอน สิ่งเหล่านั้นพ่อโพลบอกว่าสิ่งที่โบสถ์สอนอ น, นั้นมันเพียงพอแล้วไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรพวกนั้นอีกกี่นอกระมือเราไม่ต้องอีกคือคนที่อยู่ในกรมือยอมรับอย่างนี้ใช่ไหมเรายอมรับอย่างนี้แต่ถ้าสอนนอกกรรมือก็สอนนอกกรมือไปเลยอย่าเอาคําสอนพุทธไปไปยกตัวเองขึ้นมันเปื้อนกันเบาๆนะมันทําให้สิ่งที่อยู่ในกรรมือเปื้อนและทําให้คนงงวยคือคนที่ไม่มีปัญญามันงง ง, ง, งวยอยู่แล้วแหละ ใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกมันมันบงเวยแล้วก็ไม่มีปัญญามันเยอะเกิดความเข้าใจผิดใช่เกิดความเข้าใจผิดมันจําเป็นต้องพูดนะแตมาจําเป็นต้องพูดเรื่องนี้ปกติจะไม่ชอบพูดเรื่องพวกนี้นะแต่มันจําเป็นต้องพูดแล้วมันมีขึ้นมาไงมันมีขึ้นมาให้เห็นมั น, มนพูดไปขอขอให้เข้าใจว่าพูดเป็นแง่คิดให้ได้คิดแต่จะถูกจะผิดอย่างนั้นยังไงก็ตามก็ไปทบทวนพจารณาเอาไปพีรณาวิเคราะห์กันเอา ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ตาบาพูดนี่ถูกไม่ได้บอกว่าถูกนะแต่บอกว่าสิ่งที่พูดนี้ยังอยู่ในกามือของที่พระองค์ทรงตัดไปอยู่นะไม่ได้อยู่นอกกำมื อ, นะอบรนไาในกามือเนี่ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าพักสรรเลือดมาสอนแล้วนนี้ ดูง่ายๆอันไหนที่พวงไม่ได้ทรงตัดถึงอันนั้นคือนอกกํามืออันไหนที่พวงทรงตัดไว้อันนั้นคืออยู่ในกํำมือแต่ปรากฏ ว, ว่าเขาไปบรรลุทําแบบนอกกํำมือแล้วมาดึงเอาสิ่งที่ <c oughs> อยู่ในกํามือเข้าไป <c oughs> ไป <c oughs> ไปกล่าวยกตนขึ้นมันยกไม่ได้มันยกไม่ขึ้นแต่ก็ขึ้นสําหรับคนที่ ไม่เข้าใจเขาก็ยึดถือตามเขาบอกมันก็ละกิเลสได้เขาว่างงั้นนะมันละกิเลสได้ก็กิเลสออกกรรมมืออีกนั่นหรือจะเอาหลักคําสอนในกํามือไปสอนยังไงก็ตามแต่สิ่งวิธีการเขาที่มาแบบนอกกํามือก็กลายเป็นแบบหลุดพ้นแบบนอกกํามือไปใช่คนที่อยู่ในกํามือไม่จะสามารถยอมรับได้อันนี้นาฬิกามันไม่เดินไปที่ไหน มันเลยทำให้ธารมามองไม่เห็นว่าควรจะยุติหรือไม่ยุตินี่นาฬิกาตัวนี้มันไม่เดินไงนั่นพอเลยมากพูดมานี่มันจะไปนอกเรื่องกันไปไกลก็ขอยุติการอธิบายธรรมะใบไม้หนึ่งกำมือแต่เพียงเท่านี้ขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกคนทุกคนเนออันไหนไม่พอใจก็ก็ทิ้งนะอันไหนที่พอที่จะนาไปสู่การขบคิดก็ ก็ไปพี่เจรณ า, าดูอะไรที่มันเป็นทำให้เกิดปฏิฆะคือกระทบกระทั่งก็ต้องขออาภายัยในส่วนนี้เพราะไม่มีเจตนาที่จะพูดให้กระทบกระทั่งแต่เจตนาที่จะพูดหลักคำสอนที่อยู่ในกำมือของพุทธเจ้าที่วรงสทรงสอนมานี่แค่แค่นั้นแหละเป็นแง่มุมหนึ่งนำไปขบคิดกันเอาละ